วันอาทิตย์ที่9มิถุนายธพศสองพัิบเกานรบรรยายคำพีมหาปัฏฐานโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าสาธุชนทุ้ใกล้ทางที่เคารพ การบรรยายปัจจัย24หรือมหาปัฏฐานวันนี้ผมได้นําเอาปัจจัยที่มีชื่อว่าอารามนาปัจจัยโดยละเอียดคำว่าโดยละเอียดในที่นี้ก็หมายถึงโดยละเอียดในส่วนหลักส่วนสําคัญไม่ได้แปลว่าปัจอ า, อารามนาปัจจัยในพระพุทธศาสนาแสดงอยู่เพียงเท่านี้ยังมีแง่มุมต่างๆอีกมากแต่ว่าการที่เราได้เรียนเฉพาะตรงนี้นะ่นถือว่าเรียนในส่วนหลักสําคัญของรายละเอียดที่ อย่าใช้ขยายหรือนําเอาประเด็นในประสูน ต, ต่างๆเนี่ยมาเกี่ยวมาแขวนไว้กับประเด็นหลักๆเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนทีเดียวอารมณปัจจัยที่แสดงไว้ในขั้นของคำทีรนั้นได้ลําดับประเด็นเป็นประเด็นต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะพูดกันในทางหลักกันอีกครั้งหนึ่งในรูปของที่อ้างว่าอารมณ์ที่พูดในทางพระพุทธศาสนา คืออะไรแล้วก็อารามณปัจจัยคืออะไรอะไรเป็นผลของอารามณปัจจัยแล้วก็เป็นผลโดยอาการอย่างไรแล้วก็ตัวอย่างการณีจริงๆโดยวิจิตวิษานในประเด็นหลังๆสืบต่อไปนั้นเป็นอย่างไรก็เชื่อวา่าเรื่องอารามณาปัจัจนั้นเป็นเรื่องลึกแต่เข้าใจไม่ยากเว้ <S 2> <S 2> แนแต่ว่าการณีของตัวเลขมากมายซึ่งผมใส่มาเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่มุ่งหลากรายละเอียด ในวันนี้หรือในวันข้างหน้าส่วนประเด็นรวมๆอย่างหลักใหญ่ๆนั้นเราสามารถเข้าใจได้แล้วก็กรงกับประสบการณ์ของเราเป็นส่วนมากทีเดียวอารมณ์ที่เราพูดกันในภาษาโลกเนี่ยเราก็หมายถึงความรู้สึกที่ปราศจากการควบคุมของเหตุผลเราเรียกว่าอารมณ์ก็เลยใช้คาว่าอารมณ์กับเหตุผลเหตุผลเป็นเรื่องแนวความคิดเป็นเรื่องของหลัก ความคิดอย่างมีหลักมีกฎมีเกณฑ์แต่อารมณ์เนี่ยเป็นความคิดที่หู้ว่าขึ้นมาเราจึงแปลอารมณ์ในภาษาชาวบ้านว่าความเป็นความรู้สึกที่รุนแรงเรียกว่าอารมณ์ความจริงก็มันก็มีรุนแรงมากรุนแรงน้อยซึ่งไม่มีเหตุผลเท่านั้นแหะครับเรียกว่าอารมณ์ก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะเป็นเรื่องทางลบนะครับแต่ความหมายจริงๆในภาษาเดิมอารมณ์นั้นมีความหมายครอบคลุมทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ในความรับรู้ของเราจะรู้ด้วยความโงโ่หรือรู้ด้วยความฉลาดรู้ด้วยมีเหตุผลหรือรู้ด้วยปราศจากเหตุผลสิ่งที่ถูกรู้นั้นเป็นอารมณ์ทังนั้นดังนั้นท่านจึงนิยามความหมายของอารมณ์ไว้ในรูปของศัพท์ภาษาบาลีอโดยยกคําแปลขึ้นมาให้เห็นเป็นเบื้องต้นนี้ว่าธรรมชาติธรรมชาตินั้นแปลว่าสิ่งนะครับอันจิตและเจตสิกทั้งหลายยุทธน่วงเรียกว่าอารมณ์คําว่ายุทธน่วงเนี่ยก็หมายถึงการ มันไม่ใช่ลักษณะของการยึดนะฮะไอยึดเนี่ยเราอาจจะฟังเป็นลักษณะของการยึดถือแต่ยึดหน่วงเนี่ยเหมือนเราจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อนหน่วงน้าวตัวเองขึ้นไปสู่ทิศทางหนึ่งเหมือนเวลาที่เราจะขึ้นบันไดเราก็มีราวบันไดเป็นเครื่องยึดหน่วงอคนที่เป็นคนฉลา ก็มีไม้ทาเป็นเครื่องยึดหน่วงเพราะนั้นสิ่งที่มีสภาพเหมือนอาการยึดหน่วงในทางกายภาพนี้ปรากฏแก่ จ, จิต นั้นมีสภาพเหมือนกับความอ่อนแอไม่อาจจะทรงตนอยู่ได้ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งยึดหน่วงสิ่งที่เป็นที่อาศัยทรงตนหรือปรากฏตนหรือนําตนไปสู่การรับรู้ใดๆสิ่งนั้นท่านจึงเรียกว่าอารมณ์แปลว่าที่ยึา ต, ตรงนี้เราจึงได้ความรู้สึกว่าจิตเนี่ยถ้าถามว่าเป็นสิ่งมีพลังหรือเป็นสิ่งอ่อนแอเราพูดในความหมายหนึ่งแล้วบอกว่าจิตนั้นเป็นสิ่งมีพลังถูกแต่พูดในอีกความหมายหนึ่ง ในทางธรรมะในแง่ของเหตุปัจจัยถือว่าสังกตธรรมทุกอย่างนนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจิตนะครับเป็นสิ่งที่อ่อนแออ่อนแอจึงแตกทำลายตลอดเวลาและอธิบายได้ว่าอย่างไรอ่อนแอเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นยืนอยู่ได้ด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยจิตก็เหมือนกันมันก็อ่อนแอมันปรากฏขึ้นได้ก็เพราะมีอารมณ์เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยเกิดขึ้น ทีนี้พลังที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการอาศัยเหตุปัจจัยนะครับมันเราเทียบเหมือนอย่างนี้นะว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีกำลังเดินเหินแบกนั่นแบกนี่ได้เราก็เราจะบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ทรงพลังโดยปฏิเสธอาหารการกินเหตุปัจจัยที่เป็นเครื่องคำจู่ตัวเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่ามีพลังเนี่ยหมายถึงพลังที่ได้มาจากสภาพของผู้ที่อ่อนแอ ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเราเราอาจจะนึกเทียบเหมือนกับการดำเนิชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนว่าอะไรทุกอย่างสะดวกไปหมดแต่ในเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยยิ่งสะดวกสบายบ้านของเราก็กดปุ่มเปิดประตูเปิดหน้าต่างหมดเรากําลังทําตัวเองให้อ่อนแออยู่บนภาวะอ้างความอ่อนแอเหมือนอย่างที่เราอาจจะได้เคยไปบ้านคนใดคนหนึ่งมาเมื่อก่อน ที่จบวิศวาะมาจากเยอรมันวันนั้นเกิดไฟเสียวุ่นกันเดือดร้อนกันตั้งนานนะครับมันกลายเป็นสแสดงให้เห็นว่าเราตกอยู่ในภาวะที่อับจนอ่อนแอใช่ไหมนั้นเรามีรถขี่ก็เหมือนว่าชีวิตเรามันมีพลังที่จะทำนูน่นทำนี่แต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็คือเราได้สร้างเงินไขให้ชีวิตอ่อนแอไอ้จากหลักตัวเนี้ยอ่ า, างธรรมะ ในชีวิตของพระนี่เราเราไม่ได้พูดว่าจะให้เราเนี่ยมาจะต้องมาดำเนินชีวิตยอย่างนั้นชีวิตของพระเนี่ยท่านจึงพยายามทำตัวให้ลดเหตุปัจจัยที่ไม่จำเป็นแล้วก็ให้ดำรงอยู่ด้วยศักกยภาพของตัวเองให้มากที่สุดบางครั้งท่านอาจารยใสเหตุปัจจัยอันใดอันหนึ่งเพื่อได้อะไรบางอย่างได้พลังบางอย่าง เมื่อได้พลังแล้วเนี่ยพยายามทำให้พลังนั้นอยู่ตัวและไม่ต้องพึ่งเหตุพึ่งปัจจัยนั้นต่อไปนะฮะอันนี้เรียกว่าอาศัยเหตุปัจจัยสร้างพลังเพื่อให้พลังนั้นเนี่ยให้ได้มาในส่วนที่เป็นพลังได้แล้วเพื่อไม่ต้องพึ่งเหตุปัจจัยเหมือนอย่างเก่าอกีกนี่เป็นลักษณะของอาการบริหารตัวกับเหตุปัจจัย แม้ในมุมของอารมณ์ณะปัจจัยนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างกรณีพระก็ต่างกับกรณีเราเราเนี่ยเรารู้สึกว่าใจขวัญกําลังใจเราจะเป็นอย่างไรเราไปสร้างเงื่อนไขาทางอารมณ์น ะ, ะว่าอารมณ์ทางตาต้องดีเราจึงได้ความรู้สึกอย่างดีทางหูต้องดีจึงได้ความรู้สึกอย่างดีและถ้าเมื่อใดอารมณ์นั้นไม่ดีเราก็เสียความรู้สึกที่ดี แต่ว่าของพระเนี่ยท่านให้อยู่เหนืออารมณ์นี่ก็เลยกลายเป็นได้พลังที่ไอ้เงื่นไขาทางอารมณ์นั้นถูกจำกัดอันนี้ก็เป็นหลักที่พอรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูนิยามที่สองนิยามที่สองนิยามที่สามนั้นคล้ายกันนิยามที่สองว่าจิตและเจตสิกฐานหลายมายินดีพร้อมหน้ากันในธรรมชาตินี้ฉะนั้นธรรมชาตินี้เรียกว่าอารมณ์ บาลีใช้คำว่าอาพิมุกขังระมันติเอทธติอารมณังแล้วก็นิยามที่สามว่าจิตและเจตสิกทั้งหลายมายินดีในธรรมชาตินี้ฉะนั้นธรรมชาตินี้เรียกว่าอารมณ์สองอย่างนี้คล้ายกันต่างกันที่ข้อสองนะํามีคําว่าพร้อมหน้าพร้อมหน้านะเป็นกา ร, กรแสดงความพร้อมเปลี่ยงของจิตกับเจตสิกในอารมณ์เดียวกันเพราะว่า เวลาจิตรับอารมณ์เนี่ยตัวจิตนั้นเป็นพหูภาพตัวอารมณ์เนี่ยเป็นเอกภาพคือเป็นสิ่งเดียวเช่นสมมติว่าเราจะละลึกถึงจิตของเราเมื่อเมื่อตอนที่เราเสียใจที่สุดจิตซึ่งเป็นตัวนึกในปัจจุบันมีจิตมีเจตสิกคือประกอบด้วยความรู้สึกหลายอย่างได้ เป็นภูุภาพนี่เรียกว่าเป็นความพร้อมหน้าของจิตกระเจติสิกจำนวนมากแต่ว่าจิตที่ถูกนึกเนี่ยเราจะนึกได้เพียงหนึ่งความรู้สึกเท่านั้นเช่นเมื่อนึกถึงความเสียใจสิ่งที่เป็นอารมมีอย่างเดียวคือความเสียใจตอนนั้นไม่มีเจตสิกอื่นไม่มีความรู้สึกอื่น ปรากฏในความนึกนะในขณะจิตนั้นนะแต่จิตที่เข้าไปนึกเนี่ยนึกถึงความเสียใจก็จะมีทั้งความจำมีทั้งความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆหรื อ, ห ร, อหรือเกิดความรู้สึกง่วงเหงา้านอนหรือเกิดความรู้สึกอื่นใดปนกันอยู่หลายอย่างดังนั้นอารมณ์นี่จะเป็นหนึ่งเสมอมันที่ที่เราเคยอ่านหนึ่พุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่าเอกจลังเนี่ย คำว่าเอกจาจลังแปลว่าจรไปในอารมณ์เดียวไม่ได้แปลว่าจิตนั้นมีความรู้สึกเดียวใช่ั้ยครับอารมณ์เดียวต่างหากแต่จิตมีหลายความรู้สึกจิตจึงรับอารมณ์ได้ทีละหน่วยแต่ตัวจิตเกิดความรู้สึกได้ครั้งละหลายหน่วยท่านจึงใช้คว่าพรอมนาที่นี้คำว่ายินดีเนี่ยเป็นสำนวนเปรียบเทียบเท่านั้น จะยินร้ายในอารมณ์โดยสํานวนเปรียบเทียบก็พูดประหนึ่งว่ามันยินดีจะเฉยๆในอารมณ์ยินดีที่จะเฉยคือพูดง่ายๆว่าอารมณ์เนี่ยมีสภาพที่ท่านพูดเป็นสํานวนเปรือเทียบว่าเหมือนเป็นอาหารอันโอชะของจิตของเจตสิกจิตกับเจตสิก เจออารมณ์ที่ไหนมันก็เหมือนจะวิ่งเข้าใส่นะฮะความจริงอารมณ์บางอารมณ์ก็วิ่งเข้าใส่จิตอารมณ์บางอารมณ์ก็ผุดออกมาจากจิตอารมณ์บางอารมณ์ก็จิตแสลไปหามีหลายสภาพเพราะฉะนั้นคำว่ายินดีจึงขอให้จำว่าเป็นเพียงสำนวนเปรียบเทียบเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสำ น, นวนว่ายินแจมแสนใสชอบใจอย่างที่เรายินดี ที่เขาแปลมาจากคำว่ารัมมันเตะในภาษาบาลีนะแปลว่าลมรั ม, มะเนี่ยแปลว่ายินดีบางทีก็แปลว่ารื่นรมก็ได้อันสองนิยามความหมายนี้จึงมีความหมายเหมือนกันอย่างที่สี่นิยามว่าธรรมชาติใด ย, ย่อมหน่วงเน้าจิตและเจตสิกหลายเหตุนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่าอารมณ์ เราเทียบกันระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสี่นิยามสองอย่างนี้กลับตาลปัดกันแต่แต่ว่าถูกทั้งคู่นะคือนิยามที่หนึ่งเนี่ยพูดในภาคของเหมือนว่าจิตพยายามหน่วงอารมย์ยื่นมือมาหาลมแต่นิยามที่สี่นั้นพูดด้วยอำนาจความพยายามของอารมณ์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ตรงกับสภาพการรับอารมณ์ก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยท่านหมายถึงทุกๆกรณีนะพูดได้ทั้งสองอย่างพูดจากจิตออกไปหาอารมณ์ก็ได้พูดจากอารมณ์เข้าไปหาจิตก็ได้มันก็อันเดียวกันนะนะแต่ว่าถ้าเราพูดออกมาเป็นกรณีของวิถีจิตอย่างที่ผมกลินไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าจิตของเรารั บ, บอารมณ์บางอารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ผ่านมาจากข้างนอกเรียกว่าเป็นอารมณ์ผ่าน เช่นเราฟังเสียงเนี่ยอารมณ์เข้ามาร้าวจิตถูกั้มฮะคนถูกยิงถูกฟันเขาแสบไปหาไอ้ความเจ็บปวดนะไหมแสบไปหามีดไหมแสบไปหาลูกกระสุนลูกระเบิดไหมเขาไม่ได้แสบไปแล้วก็เมื่อสาตราวุธเหล่านั้นมาต้องกายเขาไม่อยากจะเจ็บด้วยซ้ำไม่อยากจะรู้ด้วยซ้าเวลาไปป่วยอยู่โรงพยาบาล คนพอจะเคยเข้าวัดบ้างพระไปเทศบอกว่าเอออย่าไปสนใจมันเจ็บก็สักส ว, วัสดิ์เจ็บคนบางคนมีความปยาบาทเคียแค้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนําว่าพึงวางเฉยบุคคล น, นั้นเสียหรืออย่าใส่ใจบุคคล น, นั้นเลยหรือว่าพึงเอาใจไปใส่ใจในอา ไ, ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์นั้นมันแรงมันก็มากระตุ้นเราให้ จิตของเรานั้นต้องเกิดความรู้สึกอย่างที่เราต้องการก็ตามหรืออย่างที่เราไม่ต้องการก็ตามอย่างหักหักห้ามไม่ได้เพรฉะนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์มาสแสดงพลังทางอาการเล้าอากาศน้ําหนักไปอยู่ที่อารมณ์ทีนี้บางอารมณ์เนี่ยมันอยู่ที่จิตใช่ไหมฮะอยู่ที่จิตเป็นตัวเป็นตัวใยอารมณ์เนี่ยมันเหมือนจะทําท่าหลุด เชื่อว่าเราพยายามจะรักษาอุดมการของเราว่าเราอยากจะทาอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะไปที่นั่นที่นี่มันก็มักจะหลุดหลุดใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นต่างกันที่ว่าเมื่ อ, อไหลอารมณ์อะไรเท่านั้นจริงไหมฮะแล้วบางคนก็อาจจะหลุดไปเลยก็ได้ ถ้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นความดีธรรมะอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็เห็นชัดเลยว่าการที่เราจะรักษาใจให้อยู่นั้นกับอารมณ์นั้นเป็นเรื่องเหนื่อยยากเวลาคนปฏิบัติกรรมฐานเดินจงกรมกำหนดลมกำหนดยีริยาบทใหญ่ยีริยาบทย่อยใจมันก็มักจะหนีอารมณ์ทั้งที่อารมณ์ความจริงก็อยู่กับตัวนั่นแหละใช่ไใช่ แล้วก็บางอย่างเนี่ยพระบอกว่าเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธโกรธมันก็อยู่ที่ใจแหละครับอยู่ที่เดียวก็ที่เราจะรู้ว่าอยู่ที่เดียวก็ที่จิตมันเกิดแต่ว่ามันก็ไม่เกิดอย่างนี้อเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เราก็เพิ่มแรงหน่วงเหนี่ยวให้แก่จิตในอารมณ์ที่มันยังอ่อนอยังแรงก็ท่านก็พูดในลักษณะของการอิงความหมายอย่างที่ว่าว่ามาเนี่ยแต่ว่าเอาก็จริงนะท่านหมายถึง สำหรับตรงนี้นะครับหมายถึงการรับรู้อารมณ์ของจิตในทุกๆอารมณ์เนี่ยอธิบายเป็นอย่างสี่ข้อนี้ได้หมดเอาละครับเรามาดูข้อเปรียบเทียบนิดนึงกวามจริงข้อเปรียบเทียบเนี่ยก็เข้าใจง่ายข้อเปรียบเทียบในอัตถกาถาปัญญปกกรอัตถกถามหาปฐานได้ยกตัวอย่างกรณีเปรียบเทียบเมื่อท่อานอธิบายถึงอรรถมรรปัจจัยความว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษทุรพล ธุรพลแปลว่ากำลังอ่อนหรืออ่อนแอสุรพลแปลว่ากำลังกล้าหรือเข้มแข็งบุรุษธุรพลจับยึดไม้หรือว่าเชือกแล้วจึงลุกขึ้นยืนได้ฉันใดทำคือจิตและเจตสิกก็ฉันนั้นต้องปราลบอารมณ์มีรูปเป็นต้นจึงเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ เพราะฉะนั้นทำท่านหลายที่เป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกแม้ทั้งหมดผู้ศึกษาพึงทราบว่าเป็นอารามณปัจจัยอุบลมาตรงนี้ในชื่อ อ, อารามณะปัจจัยเนี่ยเป็นการให้ความสำคัญแก่จิตหรืออารมณ์จิตหรืออารมณ์เนี่ยอะไรเป็นเหตุแก่อะไรตอบว่าอารมณ์เป็นเหตุแก่จิตอารมณ์เป็นผู้กระตุ้นจิต อารมณ์เป็นอำนาจที่ทําให้ให้จิตปรากฏพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการอุดหนุนเป็นของอ่อนแออเรื่องกรณีอย่างนี้นะถ้าเราเราไม่แยกแยะพูดก็มองไม่เห็นนะว่าจิตเหล่านี้มันอ่อนแอนะมันอ่อนแอเราจะเกิดความรู้สึกที่ดีที่ชั่วขึ้นมาโดยไม่มีอารมณ์เป็นที่อาศัยเนี่ยไม่มีทางเลย ถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ว่าคนคนหนึ่งสร้างสมบารามีมาพร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นบังเอิญไปไปต้องอุบัติเหตุหูหนวกฟังธรรมะไม่ได้และสมัยก่อนหนังสือกไ็ไม่มีให้อ่านอย่างงี้นะแค่ได้ยินเสียงไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศก็ไม่ได้ยินเหมือนคนหูหนวกสนิท แค่ไม่ได้ยินเท่านั้นละครับบารมีที่สร้างมาอย่างดีไม่มีทางจ ะ, จะเจริญในธรรมอะไรได้เลยนี่เรียกว่าหน้าเห็นใจคือมีหูอยากใจอยากจะฟังแต่ฟังไม่ได้ยินทีนี้ถ้าสมมติเราลงมีหูแต่ว่าไม่อยากจะฟังไม่อยากจะฟังเราก็ไม่ได้อารมณ์อารมณ์คือเสียงธรรมะไม่อยากจะอ่านก็ไม่ได้อารมณ์คือรูป คือตัวอักษรที่เป็นเสื่อมธรรมะกูศนและจิตที่พึงปรารถนาก็ไม่ปรากฏเนี่ยเพราะไม่ได้อารมณ์เสยอย่างเดียวก็ไม่ปรากฏมนัมราบุธเจ้าเนี่ยท่านพูดถึงทางดีทางชั่วก็ตามท่านใจใจตัณฑ์ไม่ได้อารมณ์ไม่ได้อารมณ์มานผู้ประทุสร้ายบีทาผู้ทําความดีแล้วจับคนนั้นให้เป็นอารมณ์ไม่ได้ว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนยังไงท่านก็เบียดเบียนไม่ได้เรียกว่า ท่านใช้สัมนวนในพระไตรปิฎกว่าเธอทั้งหลายอย่าทําให้มานได้อารมณ์ น, นี่เขาเรียกว่าการซ่อนตัวแต่วิธีซ่อนตัวอย่างพระเนี่ยมันไม่ใช่ซ่อนตัวอย่างเราซ่อนกระสุนซ่อนคนที่เขาทำร้ายเราอย่างในทางโลกคือซ่อนตัวคือทําใม่ให้ไดอารมณ์ตางจริงไอ้ซ่อนนางลง ก, ก็ทำให้ไดอารมณ์กันนะฮะแต่อีวิธีของธรรมะเนี่ยเขามีวิธีการซ่อนอารมณ์อย่างชนิดที่ เป็นวิธีทางศาสนาผมผมไม่พูดตรงนี้ก็เป็นเรื่องอยู่โดยในยากของการปฏิบัติจึงเป็นอันว่าจิตของเราเนี่ยอ่อนแอมากและถ้าจะสังเกตให้ชัดๆให้มันเข้าตัวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสำนึกในทางดีทางชอบของเราที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่ผูกใจไว้กับอารมณ์ที่ดีที่ชอบที่เหมาะที่ควรให้เป็นนะล่มสลายเสียหายลวนเลจริงไม่จริงลวนเลเลยครับ อย่างที่บางคนบอกว่าแม้ฉันแย่แล้วเดี๋ยวมาฟังธรรมะปีเดียวเนี่ยกำลังจะกลับไปคนละคนแล้วกลับตลัปัดแล้ว ท, ทําชาจะโกงแชร์เขาแลเนี่ยดีไหมมผมยังพูดธรรมะอยู่แต่ผมเลิกไปเพราะเขาผมบอกว่าจะแนะนำวิธีโกงแแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แล้วกันไอ้เนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เนี่ยจึงเป็นตัวเลี้ยงความรู้สึกแต่และความรู้สึกที่เราต้องการ ถ้าเราต้องการให้เราได้ความสำนึกได้ความรู้สึกบางอย่างเราถึงต้องหาอารมณ์ผูกพันอารมณ์นั้นไว้เพราะว่าใจเรากับอารมณ์มันยังไม่แนบไม่เป็นอั ป, ปนาเหมือนอย่างพวกไดาชานพวกไดาชานเนี่ยก็ทำจนต้องเป็นอั ป, ปนาแนบแน่นกลืนเป็นอุปนิสัยนะอารมณ์ั้อแนบแน่นอย่างนี้ทำให้ใจของเรานั้นสามารถที่จะยืนความรู้สึกได้ข้ามภพข้ามชายก็ได้ เราก็ดูเอาก็นละกันว่าเราเราชัดไม่ชัดแค่ไหนเ พ, พราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าอย่าประมาทและความรู้สึกบางอย่างที่เราไม่ต้องการเราก็อย่าประมาทว่า อ, อย่างเราไม่เป็นไรหรอกไปดูเธอไปฟังเธอไปลองเธอไปสูบเธอไม่เป็นไรหรอกอย่างที่คนประมาทคิดถามว่าเป็นหรือไม่เป็นไอ้บางอย่างก็กล้าลองได้บางอย่างก็ไม่ควรไม่ควรไปลอง เช่นว่าอะไรจะไปลองสูบฟิน่นอย่างเงี้ยสู่เพโลอินสู่เคโคนอ่าโกเกะอย่างนี้ไม่ควรลองหรือจะไปลองว่าโอ้ยเราเราบวชแล้วเราทําสมาธิแล้วเราทำวิปัสสนาแล้วไป่เป็นไรเราไปไปไ ป, ไปจำมัณฑะอยู่แถวลาสเวกันผมไม่เคยไปหรอกนะเห็นคนเคยไปก็รู้ที่นั่นเป็นยังไงไปลองเธอไปอยู่เธอะไปเป็นไรหรอกนั่นนะคิดอย่างประมาท เพราะนั้นเราเนี่ยถึงบางทีที่ว่ามันพอลองได้ก็คือว่าลองเล็กๆน้อยๆ น, นะฮะเช่นว่าลองทำอะไรที่ฝืนความตั้งใจฝืนระเบียบสักนิดหนึ่งแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงพางทีลองไปนิดนี่มันขยายขยายใหญ่โตเลยครับแล้วในที่สุด เ, เราจะคุมมันไม่ได้เพราะว่าไอ้ใจเรามันค่อนข้างจะฝักไฟอารมณ์ทางต่ำอยู่แล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะครับ วัตใจของปุถุชนนั้นมีธรรมชาติไหลไปในทางต่ําตัดในธรรมบทนะไหลไปในทางต่ําและการไหลไปทางกระแสทางต่ําเนี่ยฝืนกระแสตัดกระแสได้ยากพวนกระแสได้ยากจึงใหญ่ยอมง่ายๆใหญ่ยอมมันง่ายๆแล้วก็อารมณ์ที่ดีเนี่ยยันนึกว่ามันอยู่ตัวพวกเข้ากรรมฐ า, านาเสียผู้เสียคนมาเยอะแล้วเพราะอย่างเนี้โอ้เราสบาย คุยล่วงหน้าแล้วสบายทําทุกเช้าอยู่แล้วผ่านมาหลายสำนักแล้วเอาไว้สักปีหน้าไปค่อยทําก็ได้หรือไม่เป็นไรล่ะเช้านี้ยังไม่ไรับลองประมาชนิดเดียวพอไปทําก็จริงๆมันรับไม่อยู่นี่เขาเรียกว่าคิดอย่างประมาดก็ทําให้อ่าเกิดข้อเสียหายอย่างนี้ได้นั้นความสํารวมของพระอะไรต่ออะไรเนี่ยครับเกิดมาจากกฎเกณฑ์อันนี้ทั้งนั้นเลยเกิดมาจากกฎเกณฑ์นี้ เพราะนั้นจิตจึงเป็นของอ่อนแอเป็นของอ่อนแอโดยเฉพาะถ้าพูดจากเกณฑ์ของคนธรรมดาทั่วไปกุศลจิตอ่อนแอมากแต่ทีน้ถ้าถามว่าอย่างั้นอากุศลแจิตกับอารมณ์ฝ่ายอากุศลก็เข้มแข็งสิมันมีอาการเหมือนเข้มแข็งแต่มันก็มีความอ่อนแออย่างบางประการอยู่ในความเข้มในความที่เหมือนจะเข้มแข็งนั้น อ, อ่อย่างสมมติว่าเรา ก็ตัวอย่างอย่างที่ว่าเมื่อกี้ผลประโยชน์ใหญ่เท่าไรลาบก้อนใหญ่เท่าไหรลูกก็ฆ่าพ่อได้โกรดพ่อได้ลองคิดดูนะอ่อนแอหรือเข้มแข็งอารมณ์มันมันมันมันผิดกลับต่รับัดได้แล้วก็พอมีความความเป็นอยู่สุขสบายเท่าไหร่มันก็สร้างเงื่อนไขในทางอ่อนแอให้กับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นจิตในทางตาด้านอื่นก็เข้ามา ช่วยเป็นช่องเป็นโอกาสสัาแดงความไม่ถูกต้องอ่อนแอมากตอนนั้นเพราะฉะนั้นอุปมาตรงนี้ขอให้เก็บเป็นสันนึกว่าเรามีท่านใช้เราเป็นในคำพีธรรมะว่ากุศลละจิตอย่างทุพพลภาพกุศลละจิตเราเนี่ยทุพพ ล, ลภาพเพราะฉะนั้นทิ้งไม้เท้าไม่ได้ครับไม้เท้าคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกุศล ไมท้านั้นอาจจะออกมาเป็นตัวคนคือกัลยาณมิตรแล้วก็ความเป็นกัลยาณมิตรน่ะอาจจะอาจจะออกมาเป็นสเทศธรรมะหนังสือธรรมะหรือแม้แต่รูปของกัลยาณมิตรอย่างเช่นรูปลายูรูปเจ้าเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้เหมือนกันเอาละ่ะเมื่อในอารมณปัจจัยนั้นแสดงความสําคัญอารมณ์ในฐานะเป็นเหตุ ท่านจึงเรียกว่าอารมณะปัจจัยแล้วก็ในทางหลักวางขอบเขตเอาไว้ชัดเจนครอบคลุมหมดซึ่งมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะอขอบเขตของปัจจัยน่นะว่าไว้เป็นสามส่วนคือหนึ่งปัจจัยธรรมที่คำยอ่อปจคือปัจจัยสองปัจ 2, ปจะยุบันหรือปัจจยุปันนะเรียกเป็นไทยๆว่าปัจจุบัน ปัจจายุบันไม่ใช่ปัจจุบันนะคนละอย่างกันปัจจุบันนั้นหมายถึงขณะที่ถึงเฉพาะถ้าปัจจา ย, ยุบันเนี่ยหมายถึงสิ่งที่อุบัติขึ้นเพราะปัจจัยอปุปนนะแปลว่าผลแล้วก็ปัจจนิกปัจจนิกนั้นแปลว่าไม่ใช่ทมที่ไม่ใช่ผลของอารมณ์ปัจจัยก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยมีอยู่ นิพพานมีอารมณ์ไหมถามอ่ะผมถามว่ามีอารมณ์นยตัวน um ิพพานมีอารมณ์ไหมถ้านิพพานมีอารมณ์คงมาจับเราไปเป็นอารมณ์แต่ขายพยานแบบรลพุตจ้านิพพานเป็นอารมณ์แต่ไม่มีอารมณ์รูปมีอารมณ์ไหมรูปไม่มีอารมณ์คือไม่เป็นอารมณ์อาพัาท์โทษไม่รู้อารมณ์ไอ้คาว่ามีที่ผมพูดหมายถึงรู้อารมณ์นะมีคือรู้นิพพานไม่รู้อารมณ์ แต่นี้ผ่านเป็นอารมณ์รูปไม่เป็นอารมณ์อาจาโทษ่ารูปไม่รู้อารมณ์แต่รูปเป็นอารมณ์ทีนี้รูปเนี่ยมันมีสภาพาพิเศษอยู่ตรงนี้ครับคือรูปเป็นอารมณ์และเป็นที่อาศัยให้จิตรู้อารมณ์เป็นอายตนะเป็นประสาทอย่างตาเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าตารู้รูปนะไม่ใช่ตารู้อารมณ์ เป็นที่อาศัยแก่จิตได้นี่ก็อย่างดีของรูปที่เกี่ยวกับอารมณ์ก็คืออมันรู้เองไม่ได้แต่ว่าเป็นที่อาศัยของตามที่รู้อารมณ์ได้โดยการเป็นประสาทให้กับอารมณ์นั้นซึ่งที่รู้อารมณ์ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากพลังของอารมณ์คือรูปกับนิพานเรียกว่าปัจจนิการธรรมนี่เป็นเป็นภาษากฎเกณฑ์ของกมีมาประธาน คราวนี้เรามาดูปัจจยธรรมกับปัจจัยยุบธรรมหรือผู้ดยียาหนึ่งว่าอารมณ์กับสิ่งที่รู้อารมณ์อันไหนมีปริมาณมากกว่ากันก็ได้ความว่าอารมณ์มีปริมาณมากกว่าธรรมที่รู้อารมณ์อันนี้อยากไปปนกับที่ผมพูดเมื่อกี้นะคือเวลารู้แต่ละขณะเนี่ยมาอันหนึ่งเวลารู้แต่ละขณะเนี่ยอารมณ์มีเยอะจริงแต่เราลู่ด้เีลวอารมณ์ แต่เมื่อรวมหน่วยของอารมณ์ไว้ทั้งหมดแล้วทำที่เป็นอารมณ์นั้นมีเยอะอย่างจิตแปดสิบเก้าเนี่ยเป็นทั้งอารมณ์และเป็นทั้งตัวรู้อารมณ์ใช่ไม่ใช่จิตเนี่ยรู้จิตก็ได้เมื่อใดจิตรู้จิตที่เป็นผู้รู้นะั้นเป็นตัวรู้อารมณ์จิตที่ถูกจิตใดรู้ขณะใดจิตนั้นเป็นอารมณ์ของจิตนั้น จิตนะจริงพิเศษตรงนี้ครับทั้งรู้และทั้งถูกรู้การทำจิตตานุปัสสนาก็คือการกาหนดจิตของตนและจริงจริงรวมทั้งเจตสิกด้วยให้เป็นอารมณ์แก่สติแก่จิตที่เป็นตัววิปัสนาจิตหรือสติปัฏ ฐ, ฐานหรืออาตาปีรัตมิจานโนตติมาก็คือจิตเจตสิกนั่นแหละใช้จิตเจตสิกดูกจิตแล้วจิตก็ มีฐานะเป็นสองอย่างอย่างนี้เจตสิกก็เช่นเดียวกันครับเช่นผมยกตัวยอย่างเจตสิกดวงหนึ่งเว้ท่านเคยกโกรธความโกรธของท่านไหมเคยโกรธมันว่ายังไงและใครควรจะถูกโกรธกันแน่ความโกรธไหนควรจะถูกโกรธกันแน่เมื่อคิดแบบละนะว่าไอ้คนตามประเภทคนด่าเขาไอนคน้คนคนโกรธตอบนะเนี่ย ไอ้เวลามันโกรธเน่ยมันก็มันก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองมันคิดว่าเออไอ้แหม่เนี่เราเราทําไมถึงโกรธนะแทนที่จะคิดว่าเราทําไมถึงโกรธความโกรธนะเนี่ยเอาสติมาควบคุมไอ้ไอ้ความโกรธความโกรธโกรธความโกรธเนี่ยผิดทั้งคู่ครับสิ่งที่ถูกโกรธก็ชั่วสิ่งที่โกรธก็ชั่วไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ ทีนี้ผมถามว่าใครเคยกโรกรธความไม่กโกรธไหมผมอยากจะเล่ามีคนเขากโกรธแทนผมมีคือบางคนที่เขามาทําอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ตีชินนทารับหลังอะไรต่างๆเนี่ยนะเมื่อสมัยยังทํางานอยู่กับกลุ่มโลกเขามีคนเข้ามากโกรธแทนผมโกรธในข้อหาว่าทําไมผมถึงไม่โกรธไม่โต้อตอบแหมหน้าขอคุณแล้วเกินอย่างนี้นะผมควรจะยูเขาไหมบอกแหมดีมากคุณ ผมไม่มีแรงโกรธกูออกแรงโกรธแทนผมช่วยเผยแผ่ชักชวนคนมาช่วยโกรธถ้าเป็นคนโ ล, โลกเขาชอบแบบนี้ใช่ไหมผมถามว่าพระพุทธเจ้าจะทรงอนุโมทนาไหมว่าใครมาว่าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระสง์ไปลุมโกรธแทนท่านด่าแทนท่านโยมไปลุมโกรธแทนท่านด่าแทนท่านท่านอนุโมทนาไหมไม่เคยสอนให้อนุโมทนาเลย ไม่เคยยกย่องว่าดีเลยเออดังที่เคยอ้างแล้วในพรมัชาลสูตรเป็นต้นแต่ให้อธิบายชี้แจงเพราะอะไรไอันนี้เราเรียนธรรมะในข้ออื่นแล้วก็ประกอบแล้วก็เห็นว่าการเล่นกับอกุศลเนี่ยต้องเอาอากุศลเข้าต้องเอ า, อากุศลเข้าสู้หลักที่เคยพูดบ่อยๆนะครับถ้าเอาอากุศลเข้าสู้แล้วก็เท่ากับว่าไ อ, ไอ้กองอุจจาระหน้าบางก็เหม็นอยู่แล้วยายเรายังเอาอุตสาหพระพุทธเจ้าเทียบ เอาอุจจาะไปเช็ดอุจจละอุจจาระใหม่ไปเช็ดอุจจาระมันก็เลยไม่แห้งนักดีอะครับไอ้ของเก่าแห้งไปของใหม่ก็มาต่ออายุความเหม็นมาแรงวันก็เลยไม่เลิกตอมกันมาอย่างคําเพราะฉะนั้นต้องเอากุศลเข้าสู้อกุศลไอ้ตรงนี้เคยอธิบายเป็นเกล็ดอะไรต่างๆไว้มากมายในในย่างวัสูตรแล้วอกุศล น, นั่นก็ไม่มามาเข้าตัวด้วยไม่งั้นเข้าตัวเพราะฉนั้น ในทางที่จะทำให้คนเขาสมาธานรับปฏิบัติจงงักฟังได้สติก็ไม่มีด้วยเรานึกถึงภาพว่าในสภาของอัตัตบุรุษถ้าหากว่าอัตับุรุษขึ้นเอาไปไปลายเอาก็อายกตัวอย่างสภาตไต้หวันแล้วกันจัดดิแหม้เนี่ยมันใช้วิธีอันตรภานเลยนะฮะไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมนะ ทํานองว่าคนไม่ได้สติเราไปชกไปต่อยเขาบอกคุณต้องมีสติดิคุณต้องมีตั้มาจันยายดิคุณต้องเกิดวิริยินทรีย์เกิดสมาธินทรีเกิดชกจนตายก็ไม่เกิดครับแล้วเขาจะขอบคุณแบบแม้ขอบคุณมากขอบคุณมากจะไม่ลืมบุญคุณเลยที่ให้สติไม่มีทางเลยครับที่จะทําให้เขาได้สํานึกในทางกุศลได้เพราะฉะนั้นการใช้วิธีการเล่าร้อนรุนแรงเข้าไปประตะเนี่ย อย่างเมื่อเร็วๆนี้เราเราประชุมกันเรื่องหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็มีอดออรคนหนึ่งในทางวิยาการนะที่ทันรับจะไปเขียนไอ้บทความเกี่ยวกับเรื่องในทางการศึกษาลงหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเราก็ให้ข้อคิดแม้อันหนึ่งในที่นั้นว่าอย่าใช้วิธีการเรียกร้องปลุกจระดมวิเคราะห์วิจารณ์แบบ เล่าร้อนให้คนอ่านรู้สึกว่าคนเขียนเขียนด้วยกิเลสแสดงหลักการด้กิเลตจะไม่เกิดผลในทาง เ, าเรียกร้องความน่าเชื่อถือความน่ากตาเลยมันจะกลายเป็นเพียงว่าระบายกิเลสของตัวเองด้วยอาศัยหลักการเป็นทางระบายเท่านั้นไม่มีพลังก็เป็นอันตกลงกันอย่างนั้นแม้กุศลเจตสิก ก็หลวงเอากุศลเจตสิกเป็นอารมณ์ได้และกุศลเจตสิกเอาเอากุศลเจตสิกเป็นอารมณ์ได้เอคนทํากรรมฐานรายยกตัวอย่างให้เห็นชัดตัวเวลาที่เราเกิดวิจิกิชาเกิดอุตจาร์เกิดถีณามิตาขึ้นมาเรากําหนดรู้ถีณามิตาด้วยถีณามิตาหายง่วงไหมกรรมฐานจเจริญไหมไม่จเจริญกําหนดรูว้วิจิกิชาด้วยวิจิกิจชาจเจริญไหมไม่จเจริญยิ่งง่วงใหญ่ ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าถ้าถ้าเป็นอกรณีของพระโสดาบันเนี่ยลันลึกถึงความรู้ถึงธรรมะที่ตัวบรรลุด้วยสติใหม่ไอไอความรู้เก่าเนี่ยมันจะดึงความสติใหม่เนี่ยดึงกลับไปสู่ภาษาหน้าเดิมเวลาคนเข้าสมาธิเนี่ยเราก็เคล็ดใช้เกร็ดอันเนี้ยบางทีต้องนึกไว้ว่าเราเคยเข้าได้ความรู้สึกเมื่อเข้าได้มันเป็นยังไงนึกมาล่อกันนะ รอแล้วค่อยๆดึงความคิดเนี่ยลงลงลงลงล ง, ลงแล้วก็มาลงไปสู่นั้นได้ถึงจุดนั้นได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเกิดง่วงแล้วก็คิดถึงความง่วงไอ้ความง่วงเก่ามันก็เลยดึงความง่วงหมายง่วงหนักขึ้นไปเราเราคิดถึงความโกรธเหมือนกันลองคิดถึงด้วยความโกรธมันยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเล่าร้อนยิ่งถอนไม่ได้เลยกลายเป็นความแกนในที่สุดแต่ถ้าหากว่าเอากุศลเข้าไปสู้เนี่ย สมมติว่าเราระลึกถึงจิตกุศลด้วยจิตเป็นกุศลเนี่ยไอ้อย่างนี้ดีมากแต่ถ้าระลึกถึงอกุศลด้วยจิตเป็นกุศลมันอาจจะมีการต่อสู้กันบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ทิ้งกุศลหรือแม้ว่าเราจะลบอกุศลไม่ได้กุศลนั่นจะถูกทอนกําลังทอนกําลังหมายว่าไงหมายความว่าอความโกรธเก่าที่ถูกกุศลเข้าไปกําหนดรู้เนี่ยมันก็ถูกขวางลําดับการเกิด ผูกถอนลำดับการเกิดไม่ให้เกิดได้ตามใจชอบต่อเนื่องอย่างน้อยก็เกิดอาการชะ ง, งักงันด้วยอาการอย่างนี้และถ้าหากว่าบุคคลนั้นไปทําบาปด้วยอกุศลที่ถอนไม่ได้จริงๆบาปนั้นก็จะเป็นบาปที่ลวนเลยที่เรียกว่าบาปที่มีอกุศลเป็นบริวารแต่จานวนมักไม่พูดอย่างนี้แต่ผมพูดเทียบกับอีกจานวนหนึ่งว่าทําบุญด้วยกุศลที่มี ที่ ท, ที่ที่มีอกุศลเป็นบริวารซึ่งมันกลับกันนะถ้าทําบุญด้วยด้วยอกุศลเป็นบริวารหมายถึงว่าเกิดกุศลณจิตยอยู่ดีๆเนี้ยนึกถึงว่าเออนี่เราเนี่ยเคยทําบุญแหมแต่เราทําเลยทําไมทําไมหุ้นเราถึงตกทอดกระถิ่นมาโยกโย ก, ยกหุ้นตกทันทีเยอะๆนะเอ๊ะทาไมเราเคยช่วยแล้วแล้วเขาถึงไม่เห็นความดีล่ะความคิดที่เข้าไปนึกเป็นอกุศลเป็นความโลภความเห็นแก่ตัวอันหนึ่งมันจะเข้าไปชะงัก กุศลที่เคยเกิดไม่ให้ไม่ให้ทวีกําลังไม่ให้เกิดต่อเนื่องดีและอากุศลที่เข้าไปทําให้ชะงักนี้มันไม่ถึงกับทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนไม่ทํากวางดีไปไดลยทีเดียวเรารับปากแล้วก็เะไยังไงไปทําแต่ว่ากุศล น, นั้นจะชื่อว่ามีอากุศลเป็นบริวารทันใจกันว่าเป็นบริวารในจํานว น, นคือไปทอนกาลังให้ลดลง เวลามาส่งผลก็กลายเป็นคนที่ได้ดีแล้วก็มีบาปตามเนี่นะเหมือนชีวิตเราเดี๋ยวนี้นะคหละทุกคนนะบางคนก็แทบจะทั้งชีวิตบางคนก็บางการณีถตาการณีของกุศลในบากนั้นเกิดมาจากกุศลประเภทนี้กรณีของความสําเร็จนั้นจะต้องมีเรื่องลุลุ่มลาำจากลูกน้องบ้างจากสังคมภายนอกบ้างจากลูกค้าบ้างเกี่ยวพันเข้ามา ต่อไปเป็นครูบาอาจารย์สอนผู้สองคนก็จะมีปัญหาบางคนก็มีไปสอนที่ไหนก็เจอลูกศิษย์แสบมันแสบขนาด้นน่ะทุกที่ที่ย้ายไปแสดงว่าตัวเองเนี่ยเาคงจะเคยไปทําแต่แสบไว้แล้วมันก็เก็กลายมาเป็นชะตาชีวิตของเขาไอ้ทําอย่างนั้นแล้วต้องมีเรื่องเดือดร้อนจากลูกศิษย์แต่บางคนเนี่ยทําที่ไหนก็ขึ้นหมดลูกศิษย์รักยิ่งกับพ่อกับแม่อีกก็มีได้ดีไดดีอไปเพราะ ลูกศิษย์ลกหาก็เห็นเป็นตัวอย่างเยอะที่เป็นครูบาอาจารย์สอนตามสถาบานันอุดมศึกษาอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นความแตกต่างที่มันเกี่ยวนเนื่องกันมาอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากอารมณ์กับจิตนี่แหละครับอื่นๆบุญกิจยาอาโกตงโมดอื่นๆแล้วก็ออกมาเป็นผลพวงของปัจจัยอื่นที่ขยายตัวออกไปสื่ต่อไปมันก็มาจากตรงนี้ ผมถามว่ามีวิธีการทำบุญใดบ้างที่ไม่ทำอยู่บนพื้นฐานของอารมณะปัจจัยหามาสักอารมณ์สิมีไหมโดยไม่ต้องใช้อารมณะปัจจัยไม่มีครับไม่มีเลยถามว่านอนหลับใส่ใส่บาตแบบนอนหลับไปบุญไหมไม่รูปร่าไม้ยังไม่รู้ข้าวสำรับข้า ว, าวยังไงไม่ได้บุญคนสลบไม่ได้บุญ อสัญญาสัตว์รมไม่ได้บุญหรือว่าถึงเบื้องสูงคนเข้านิโรสมาบัตตอนนั้นไม่ได้บุญแล้วก็ไม่ได้บาปแต่ว่าท่านไม่ได้เข้าเอาบุญนี่ท่านเข้าเอาความความสุขขั้นลึกที่เหนืออารมณ์อ่อาเนึ่งก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยจึงเกิดอยู่ที่อารมณ์แล้วก็เมื่อกี้นี่คุยกันปัญหาบางอยา่างที่อ่ท่านคนหนึ่งได้ตั้งขึ้น ในแวดวงแต่ของเราเนี่ยเราก็ใจหลักการเราก็ใจแต่ผมไม่สามารถจะตอบได้ในในเมื่อกี้นี้ว่าเวลาคือมีคำถามแล้วก็มีคนที่อธิบายธรรมะปฏิเสธตรงนี้ว่าเวลาไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยไม่ควรจะใช้ดอกไม้ทูบเทียนสองมือสิบนิ้วพอแล้วเพราะว่าไอ้ที่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าไหว้แล้วก็เป็นเหตุให้ไฟไหม้บ้านแบนบน่นะ ต้นไม้ด้วยๆเก็มาโดนเด็ดโดนทําให้เสียหายมันไหว้ด้วยมือก็พอแล้วไม่ต้องไปใช้ดอกไม้สูตเทียนอะไรถามว่าถูกหรือผิดยังไงวิจารณ์ไว้ยังไงแล้วไหว้ด้วยดอกไม้ก็ไม่มีดอกไม้สูตเทียนมันต่างกันตรงไหนแล้แต่โอกาสอ่าไอ้นีตัวนี้ก็โอกาสอ่ะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่ควรจะทําและถ้าทําด้วยมือเปล่าก็ดอกไม้มีทองปิดมีอะไรอะไรนี่นะเหมือนเหมือนกับเราไปถวายของพระ เอาเอาตะกล้าเ ป, ปล่าทำหนังกระทานเดียวกันปลาบอกไม่มีอะไรเลยบอกก็ก็ท่านสอนไม่ให้ไม่ให้ไหว า, าดล้าโดยด อ, อกไม้ ก, ก็ทําหลังกระทานในตะกล้ารับแล้วว่าอยาเอาตะกร้ากลับบ้านดิท่านก็รับหลังกระทานแบบรุมๆแรงๆไปก็แล้วกันเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดที่ไอ้วัตถุเนี่ยมันคืออารมณ์ที่เจตนาทานเข้ามาเกาะนะฮะเพราะอารมณ์มันเป็นตัวเพิ่มบาลังจิตนนะ พอจิตมีพลังได้จิตคิดยังไงแล้วมันกลายเป็นเกิดไอ้พลังรูปอื่นต่อไปอีกคือพลังกรรมหน้าลมเนี่ยจริงเป็นตัวผ่านหน้าเหมือนเหมือนกับไอ้ที่เราถ่ายรูปเนี่ยแล้วมันติดอะไรไปไอ้ไปถ่ายโลงๆมันจะไปเอาอะไรละ่ะเขาสร้างหนังก็ต้องเอาบ้านมาลงทุนเผาเราเห็นที่กระเดียดายลายหลหัแล้วรถสวยๆทั้งคันเอามาขับชนกันเล่นทั้งกันแหะเพื่อจะเอารูปใช่ไหมนี่ก็เหมือนเหมือนอารมณ์อ่ะ แล้วมันก็ได้ค่าไปเพราะติดอารมณ์มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยบูชาด้วยสิ่งใดด้วยอาการอย่างไรแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เป็นผลในทางกรรมเพราะฉะนั้นวิบากใดๆเช่นว่าเรามีความคิดว่าจะให้เนี่ยเราให้อะไรนั่นคืออารมณ์ของจิตแล้วมันจะทอนออกมาเป็นพลังกรรมของเรา เราให้ประหนีตแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราได้สูตรดูดซับเข้าไปเป็นการเพิ่มพลังเจตนาซึ่งเป็นตัวกรรมเพราะอาศัยอารมณ์ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคนจะทําบุญแม่คนทําบาปเขาก็อาศัยวัตถุทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ทําให้เกิดบุญทําให้เกิดเจตนาได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้สมมุติว่าเราเอาแหวนเพชรวงหนึ่ง จะไปอถวายไว้ที่เจดียานุษย์เจดีย์จยจเจวีดากองหรือที่วัดท่านมหาไมามุลีคนพม่า ก, ก็ทําอย่างนี้กันเยอะเข้าไปนั้นเนี่ยกระล่างไก่เปชดแหะเต็มหมดของปลอมเข้าไม่เอาด้วยนะก็ญิงไม่ควรฆ่ามาไว้ที่นี่ <c oughs> ทีนี้ผมสมมุติให้เห็นว่ากรณีสองอารมณ์นี่ <c oughs> คนหนึ่งเนี่ยเอาเพชรจริงไปถวายอีกคนหนึ่งเอาลูกแหวนเพชร วงที่ตัวจะถวายเนี่ยไปถวายถามว่าบุญเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วอธิบายได้ว่ายังไงก็บอกอารมณ์แล้วอารมณ์มันเกี่ยวกับความรู้เพราะว่าไอ้จริงหรือปลอมในใจเรามันเกิดไอ้ความจริงจังรุนแรงเสียสละมากน้อยแค่นั้นแค่นี้ไม่เท่ากันจริงมะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่ะเราก็มองออกกว่าไอ้อารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวกําหนดเอาละครั้นี้ ที่จะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบัญญัติบัญญัติอารมณ์เกือบจะพูดได้ว่าอารมณ์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นอะไรเสียเป็นส่วนมากที่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างรุนแรงที่สุดและเป็นอารมณ์โดยมากของเราตอบว่าเป็นบัญญัติเป็นบัญญัติคืออย่างเช่นเราตาเห็นรูปเนี่ยรูทีแรกเป็นปรามาตาอารมณ์รูปลารมในรูปยี่ปดหนึ่งในรูปยี่แป เป็นเชื่อนิดหนึ่งแล้วเราก็ขายายเป็นสมมุติและสิ่งที่ติดความรู้สึกไปให้ไปคิดแปลอะไระอะไรต่อเป็นอนุพญญาณามมิตอนุพญญาณนะ์คือสมมุตินั่นเองใช่ไหมฮะเราไปดูภาพยนตร์เศร้าภาพยนตร์กลัวภาพยนตร์โยนยั่กิเลสอะไรต่างๆสักเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราเห็นตาเห็นที่แรกมันคือรูปอารมณ์ถ้าคนดูอย่างวิปัสสนา มันก็แค่รูปรลมทกลัวไม่ทําให้กลั ว, ไ, ลวไ ด, ได้แต่คนมันดูแล้วมันไปขยายเป็นสมมุติแค่ยหะดูเสร็จแล้วเนี่ยมันเก็บเป็นภาพความรู้สึกกลับบ้านไม่ได้ประหลาดนะไอ้ขาม้าหมาได้เพราะขากลับกลับไม่ได้มันละแวงอะไรแกลอะไรกลักละแวงนึนกว่าผีไปตลอดท่ะคนที่อ่านหนังสือผีคือตองก่อนนอนก็เหมือนกันอ่านไม่ระแวงเดินลงบันไดจ า, ากเล่าเต้งเฉยจากก๊อกนะ้ำ พออ่านหนังสือผีลงจากข้างบนลงไม่ได้ครับจักหลักๆหลักๆกลัวประหลาดเนี่ยมันมาจากไหนของมันเพราะฉะนั้นคนที่ทํากรรมฐานเนี่ยเข้าถึงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันสาสมันโดนเพิกเพราะอะไรเพราะเขาเห็นอะไรแล้วเขาจะนึกเข้าไปหาความเป็นจริงเหมือนกับคนที่เก่งในทางวิเคราะห์เนี่ยเห็นอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย จะนึกลึกเข้าไปถึงไอ้เบื้องหลังในความรู้สึกจริงๆเ็คื อ, อยังไงแล้วก็บางทีจะนึกไปว่าทำไมคือตงรรู้สึกอย่างนั้นทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นจะไม่มาหลงเล่นตีค่าตีผิดตีถูกกันที่ไอ้รูปโฉมข้างนอกเข้ามาชมเราเออทำไมก็แล้วก็มองเออชมรออะไรมันก็ขยายเขาชมคนอื่นไหมรับหลังเ็าชมไหมแล้วถ้าสมมติเขาเป็นคนอย่างนี้ เพราะอะไรก็าถึงเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ย headphone. มันก็มันจะปัจจุบันทันทีของมันเองทำให้เรียกว่าศบตาก็มองก็ไปถึงหัวใจอันเนี้ยเป็นเป็นการลักษณะที่ผมยกเทียบให้เห็นว่าเป็นลักษณะของคนที่รับอารมณ์โลกแล้วลวงลึกเข้าไปหาปรมาจ์เป็นวิสัยของคติผู้ปฏิบัติวิปัสสนาะแต่บางคนแม่ไม่ปฏิวัติอะไก็มีคติอย่างนี้ จาก อ, า อ, า อ, าอำนาจวาสนาของตัวเองที่ติดมาแต่บางคนนะมองโดยธรรมดาลโลกก็จะมองและขยายไกลออกไปเป็นมโนภาพเอ้อฝันเหมือนอาการคนบ้าคนคนบ้านเนี่ยพูดอะไรนิดหนึ่งต้องระวังเยอะครับมักจะไปขยายพูดซะ อ, อย่างดีขยายไปเป็นเป็นผิดไปเลยก็มีเพราะฉะนั้น เ, เราถึงคุยกันในหมู่ของคนที่สอนกรรมฐานเนี่ยว่า เวลาจะสอบอะไรกับคนที่มีอาการทางประสาทเนี่ยบางเรื่องเนะี่ยอย่าไปสะกิดนะถ้าสะกิดแล้วก็เย็บแผลเข้าไม่ได้อย่าสะกิดสะกิดแล้วเราก็ไม่เย็บแผลเข้าไปขยายเลยครับไปขยายแผลไปฉีกแผลต่อแล้วเลยกลายเป็นเรื่องอันตรายนั่นจะสะกิดต่อเมื่อสะกิดขึ้นมาเพื่อล้างแผลแล้วก็รีบเย็บแผลให้เร็วที่สุด ไม่ถ้าไม่พร้อมไม่รู้จริงอย่าไปสะกิดผงเข้าใจนะอย่างสมมุติว่าเราจะไปสะกิดใครสักคนเนี่ยเหมือนสะกิดไอ้เรื่องธรรมะเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องปัญหาชีวิตเนี่ยสะกิด้็ต้องอธิบายต้องล้างแผลต้องเย็บแผลทันทีให้เขาเกิดความสแงบเขาเบาเขาสบายเพราะมาสะกิดพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้นะบ่อยไปสะกิดสะกิดแล้วก็สะกิดเพื่อจะติเหตุล้างกิเลสถ้าถ้า ถ้าสกิดแบบพอกิเลสนะั่นเรียกว่าสกิดแล้วจะโลกสายไออย่างที่เราชอบสกิดกันนะนะสกิดเพื่อจะเขาจะโรคสายเขาก็เลยเดือดร้อนแล้วก็พานทำให้เราเดือดร้อนด้วยก่ <S <S น, นี่เป็ น, เ ป, นเป็นองค์ธรรมคลุมทั้งหมดผมไม่อธิบายชี้แจงแจกแจ ง, แ, จงแล้วก็ท่านผู้ใดที่เห็นตัวเลขแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรนะก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วแลวท่านก็อย่าได้หนักใจเพราะตอนนี้ท่าน ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องรู้อะไรโดยละเอียดผมเรียนยามอีกครั้งนึกว่าใส่ตัวเลขไว้ให้เพื่ออนาคตแล้วก็เพื่อท่านที่รู้ได้ทีแรกก็นึกว่าจะไม่ใส่เหมือนกันแต่ใส่มาแล้วก็คงก็กลั ว, วจะเข็นเป็นกังวลเป็นภาระก็คิดกลับไปกลับม า, าแล้วก็ใส่ทั้วก็แล้วกันแบ่งกันกันคนละครึ่งแต่เป็นภาระก็ จะได้รู้ว่ายัางมีภาระจะต้องฟังหรือศาสนานั้นอธิบายแต่และเรื่องถึงจุดเด็ดขาดทุกประเด็นไปให้ให้ให้ใ ห, ให้เข้าใจแค่นี้จากตัวเลขก็นับว่าเพียงพอยิ่งเป็นคําย่อด้วยก็ยิ่งรู้ก็อาจจะลำบากก็พูดเพื่อถอนความลำบากใจงท่านเสียนี้ในประเด็นที่สี่เนี่ยเป็นการตั้งหลักไว้ว่า เรื่องของอารมณะปัจจัยเนี่ยนะฮะอารมณ์เนี่ยมันมีทั้งอารมณ์ที่เป็นกุศลหมายถึงกุศลละธรรมกุศลละจิตกุศ ล, ลเจตสิกอารมณ์ที่เป็นอกุศลหมายถึงสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสและอารมณ์ที่เป็นอพยกรรกริหมายถึงพวกสิ่งที่ไม่ใช่บุญใช่บาป ใครอาจจะนึกรู้แล้วก็เป็นประโยชน์แก่บุญแก่บาปได้ความจริงทุกอารมณ์เนี่ยครับอนึกแล้วสิ่งที่เป็นบุญแท้ๆนึกแล้วกลายเป็นที่อาศัยบาปก็เยอะแยะไปนี่เข้าตัวทุกเรื่องเลยเข้าประสบการณ์ทุกเรื่องในนี้ถึงแบ่งให้เห็นว่ากุศลเป็นอารามณปัจจัยหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเมื่อบุคคล น, นึกถึงแล้วนะเป็นอารามณปัจจัยแก่ความนึกถึงนั้นอย่างไรบ้าง กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมก็มีกุศลธรรมเป็นปัจจัยอกุศลธรรมก็มีและกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อพยากตาธรรมเกื้อพยากตาจิตก็มีอันนี้ผมจะยังไม่อธิบายจะเก็บไปอธิบายในรายละเอียดในลําดับต่อไปเลยตรงนี้พูดให้จับหลักก่อนประเด็นต่อมาอกุศล เป็นอารามนาปัจใจหมายถึงอากุศลและธรรมเนี่ยกิเลสบาปอากุศลกรรมบด ท, ทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดเป็นอารามนาปัจใจแก่อากุศลโดยกันก็ได้เป็นอารามนาปัจใจแก่กุศลธรรมก็ได้เป็นอารามนาปัจใจแก่อัปยากตะจิตก็ได้จิตกลางกลางได้หมดเออซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านวางข้อเท็จจริงทั้งที่เป็นสิ่งควรและไม่ควรผมถามว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลควรไม่ควรไม่คว ร, ควรทั้งสองส่วนเลยกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลควรไหมไม่ควรอีกอหมายก็ว่าเวลาที่เราทําบุญแล้วมันนึกถึงบุญนั้นด้วยจิตเป็นอกุศลควรไหมไม่ควร อาคุลที่ทําแล้วมานึกถึงภายหลังด้วยจิตเป็นกุศลควรไหมควรไม่ใช่ควรทําเพื่อมานึกนะที่ทําไปแล้วก็มานึกถึงด้วยจิตเป็นกุศลอย่างนั้นควรเพราะฉะนั้นคนเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรแต่ละแม้บงทีนึกมรรคการไม่แข็งพอนี่เสียวมากผมเองผมก็เคยพลาดมาเคยเล่าบ่อยๆเล่าทีไรก็ไอตอนเล่ายังไม่เคยเสียวตอนไห่หรอก แต่เวลามานั่งนึกเห็นคนไปได้รับอกุศลวิบากแล้วมันนึกถึงบาปที่เราทำประเภทนั้นครับไม่ให้มันเสียวสยองเหลือเกินยกยกตัวอย่างเช่นผมเคยแกงส้มมาค่ะเป็นแกงส้มหม้อพิเศษจากสักสองหม้อไม่เกินนะเผื่อๆไว้นี่คือสมัยสมัยได้เด็กอะ่ะผมก็ทำกับข้าวอะไรต่ะไรเป็นก็ แกงส้มเนี่ยก็กแกงตำพรุงตำทิ้งอะไรสมัยก่อนมันไม่มีให้ไปซื้อนะแล้วผมก็ไปหาไอ้บักบุ้งมาหันหันแล้วก็ไปช้อลูกปลาจะากรอกอมาขนาดพอจะซุกผักบุ้งได้มาถึงก็แม้เราแล้วดีจะเสียความรักใครกันก็อ้มน้ำเอาผักบุ้งใส่ไปก่อน พอน้ำเดือดเต็มที่ปิดฝาอย่างดีนะ่เสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนเอาไอ้ลูกจะคลอกมนะเทเข้าไปทั้งคอกเลยเท่าที่เราจ้อนมาได้เสียงมันดังแซดละง ม, มไปทั้งหม้อนะแล้วก็เปิดไมกทีเกือบจะทั้งหมดมันซุกเข้าไปในในโพรงผักบุ้งที่เราหัน่นบางโพรงตัวเล็กหน่อยก็พยายามดันกันเข้าไปสองตัว ก็เข้าไปสนิทหลังหางโบ ร, ร่บ้างอะไรบ้างแหมภาพติดตาดีแล้วเกิดน่าภาูมิใจั้ยชีวิตกี่ชีวิ ต, วตแล้วมาทำให้เขาตายอย่างเจ็บปวดเนี่ยฮะซึ่งมันอร่อยอะีผมก็เรียกว่าเนี่ยแกงแกง ส้มปักบุ้งยัดไส้โดยไม่ต้องไปนั่งเสียเวลายัดเองแม้มันอร่อยอย่าบอกใครไอ้ตอนกินมันก็อร่อยทีนี้พอตอนหลังเรามาเห็นชะตากรรมของคนอื่นบ้างเรามาเข้าใจหลักเหตุผลบ้างนึกถึงแล้วก็ เมื่อก่อนก็นึกถึงทีไรก็เกิดวิปฏิสารร้อนใจเปน็นอกสสุศลซ้ําหลังไปแต่ตอนหลังเราโยนิโสในการเป็นก็นึกถึงทีไรก็แฝ่เมตตาอธิษฐานจิตว่ขออย่าได้ทําอย่างนี้อีกเลยขออย่าได้ไปอยู่ในเงื่อนไขทั้งทําอย่างนี้อีกเลยนะฮะก็นึกแล้วก็เลยกลายเป็นว่านึกถึงบาปเก่าแล้วเกิดกุศลแรงยิ่งเรากลัวเท่าไหร่แล้วยิ่งเกิดความรู้สึกเอาจริงเอาจังกับ ความเป็นกุศลจิตในตอนนึกมากตันนั้นเลยกลายเป็นดีไปแต่ว่บเลือก ก, ก, ก็เสีออยวอิ่มกันแหละแล้วก็หักความผิดขึ้นมาตั้งหลักใหม่อย่างนี้เพราะนั้นไอ้ตรงนี้นครับบาปใดที่ทําเมื่อ น, นึกถึงแล้วเนี่ยต้องหกักหาหมุมให้มันเป็นช่องของกุศลทดแทนกันให้ได้สมน้ำสมเนื้อไอ้บาปเล็กน้อยเรานึกถึงแล้วก็ไม่กระตือร้นในทางกุศลมากใช่ไห แต่บาปใดที่เป็นบาปแรง น, ะนึกถึงดีไลลก็เกิดกุศลลจิตรุนแรงมากขึ้นน ะ, ะ ก, ก็นึกให้มันได้จ้องก็แล้วกันตั้งโยนิโศนิการให้ดีนี่เป็ น, ปนกุศลอย่างธรรมดาเนี่ยครับก็นึกอย่างนี้แล้วก็เรายืนยันได้อย่างหนึ่งว่าคนจะเรินกรรมฐานละกิเลสเนี่ยต้องพบหน้ากุศล เข้ามาในคลองของสติสัมปชัญญะอย่างเล่าๆเล่าๆอย่าบ้างละเอียดบ้างมันจะโผล่ขึ้นมาและนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและควรจะเป็นเพราะนั่นคือการละการสอนความรำนึกการแปลอกุศลที่ตัวเองเคยทำที่ตัวเองเกิดให้กลายเป็นประโยชน์แก่กุศลเป็น กระบวนการหรือเป็นอาการของการละอย่างหนึ่งอย่า ก, กลัวอย่า ก, กลัวคนที่จเจริญสติคุ้นกับหลักตรงนี้แล้วบาปทุกอย่างไม่กลัวบาปนั้นจะไม่ไม่ซึมเข้าสู่ฝ่ามือของของจิตในขณะนั้นนะและมันก็ขยายไปถึงว่าไปเห็นคนชั่วก็ไม่ถูกคนชั่วคล้องงำใช่ไหมใช่สมมุติว่าเราไปอยู่ในสลัมเข้าสูบ ฝิ่นกินกัญชาเล่นกายพนานเล่นหวยกันด่าห ย, ยาบๆไปไกลคิดไม่ว่าเรานี่จะต้องกลายเป็นคนอย่างนั้นไปด้วยเนี่ยก็คงยากนะแต่ยังไม่ได้ลองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลองเอาแค่ทุกวันนี้ที่ทํางานก็พอแล้วครับกี่อยู่ที่ทํางานเนะ่ยเจ้านายแล้วบ้างลูกน้องบางเพื่อรวมงานบางเอลูกค้าบ้างพอฝึกแล้วไม่ต้องไปอยู่ที่สลาด ไม่ต้องไปอยู่ในที่ที่มันเสี่ยงรุนแรงขนาดนั้นแต่นี่คือธรรมดาของของคนมีธรรมะเนี่ยมันเกิดแรงต้านไอ้คำว่าแค่แรงต้านเนี่ยอย่างผมป่น้อยไปมันเกิดอะไรด้วยครับเกิดพลังลบล้างพฤติกรรมและความรู้สึกหวายตาของคนที่อยู่รอบกาง เราต้องนึกกับตัวเองอย่างนี้ทุกคนตามกําลังเราน ะ, ะรเราอย่างไม่ก้นเราจะต้องไปลบใครก็ได้หมดบางคนเขาก็แรงกว่าเราแล้วเรามีช่องกินเด็ดแล้วอาจจะโดนเขาลบเออเมื่อก่อนไม่กินเหล้าเอเด๋่นี้ทำไมกินเหล้าอะไรเงี้ยมีจริงๆครับเมื่อสมัยก่อนขนาดเรียนอะเรียนนิพนธ์เจะทัางสอนได้บ้างแล้วนิดหน่อยเนี่ยนะแต่ตอนหลังเกิดโยกย้ายที่ทํางานแล้วก็เลยห่างวัดไป เจอทีกินเล่าไปซะแล้วแสงหน้าเราไปไกลเลยเออไอ้ตรงนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วก็นึกออก โ, โ, โดนลบล้างไปแล้วกลายกลายเป็นโดนเขากลืนเกือมันก็ธรรมดานะเพราะว่ามันเราไม่มีผู้ช่วยนี่ทำไงคนเดียวโดเดโดนเขากลืนไปทีที่ถ้าเรานึกไว้อย่างนี้เนี่ยเราจะ จะไม่ไม่ท้อแท้ไม่ตีโพยดีพายนะฮะเพราะอย่าลืมไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเจอบรรยากาศอย่างนี้สูงสู ง, สงต่ำาๆหลากหลายกันไปทั้งนั้นถ้าเราตั้งหลักอย่างนี้เราจะอุ่นใจแล้วมีความสุขกับทุกสังคมผมพูดเนี่ยผมค่อนข้างจะมีความรู้สึกอย่างนั้นถึงจะไม่มากนักนะฮะแต่มีความรู้สึกก็อย่างนั้นแล้วก็นึกว่าเราควรจะทาตัวเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน อยู่กับคนชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามคนชั่วอาจจะคุยได้ว่าเวลาเมื่อก่อนที่เรายังอยู่อยู่กับ้าโลกผมก็นั่งนั่งโตอาหารเขากินเหล้าผมก็นั่งกับแต่ไม่ได้กินกับเขานะก็นั่งอ่ะ ก, ก็ถ่ายลงถ่ายรูปไปแล้วก็ไม่หวามีอุบาสกมานั่งอยู่ในท่ามกลางวงเรานี่ก็เป็นสภาพของเราแต่นั้นเรารู้ว่าบางบางสภาพเนี่ยไม่ไม่ใช่ของน่าเกลียด และเราไม่ทำตัวให้ผิดปกติแปลกปลอมความหมายอะไรบางอย่างมันอธิบายอยู่แต่เราไม่ได้กินและไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นแกะดำที่ไม่กินกับเขาแล้วทำไมไปเอ่อมานั่งโตเขาเราไม่ต้องกินกับเขาแล้วก็ทำไปทำมาแล้วก็ทำบางคนไม่ให้กินตามลาไปด้วยแต่น้อยมาก และเราไม่ได้พยายามเราไม่กินกับเขาก็ดีนักหนาแล้วถามว่าทำไมไม่กินเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งโกงแหมะคออักเสบครับเราก็พูดไปตรงๆในลักษณะที่พูดแล้วไม่ไปดูถูกเขาไม่รู้สึกว่าเราดูถูกเขาและให้เขารู้สึกว่าชื่นชมเราตามสมควรไม่กลายเป็นคนอื่นในความรู้สึกเขา อ่าอ่ะตีผมผมก็พูดเวลาเขากินอันนี้ก็ธรรมดาบางคนบางคนก็รู้แล้วกูสามก็ยั่งก็ยอไอบางคนแม่ก็ยังก็ยอจนหน้าใจอ่อนเนี่ยนะเจ้าก็บอกว่าแม่ผมเมื่อก่อนเมื่อก็กินนะแล้วก็บอกเมื่อก่อนก็เคยกินก็เดี๋ยวนี้มาเข้าวัดเข้าวานแล้วก็เลยถือศีลถือศีลห้าตั้งสัจจาว่ายก็เลยไม่ได้กิน เนี่ยก็กลัวจะเสียสัจจะอะไรเออเขาเขาเขาเขคงย็นตกอืมไหมคนนี้พอไว้ใจได้นะออะไรเงี้ยนะแล้วเราก็พูดแต่เราไม่บอกไม่พยายามถาไม่ไดกินสุราเมรยะมัชามาตะนาเวลมณีศิกขาปตังสมาดียามิคุณนับถือศาสนาอะไรเคยรักถินหรือไม่คุณรู้ไหมว่าโทษของการดื่มสุรามีอะไรบ้างถ้ายังนี้ก็ ปากแตกแน่นอนจะไปพูดใยตอนนี้เขากำลังกินข้าวได้ ข, ข้าเข็มมัครับดีไม่ดีโดนปากจะหลามเราก็ไม่ไปไปดูถูกแล้วก็พูดให้เขาได้อย่างน้อยเขาก็เกิดความรู้สึกว่าอ๋ออมีคนอย่างนี้อยู่อะไรแล้ะนั่หนักเข้าเนี่ยบางคนเขเลยเกรงใจเขาเลยเกรงใ จ, งใจทีนี้ไอที่เราอุ่นอาจใจอย่างคือแม้พอมันชัดตึงๆมัมาถามตามมาเราดิ เราจะให้นั่งต่อไปคุ้งกวนแคร์เนี่ยทาอย่างนั้นไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเมาทั้งกู้อีกค น, นึเมาเหล้าอีกคนหนึ่งเ ม, มาธรรมะแล้วถ้าบังเอิญท่านไปเจอผมกําลังพูดธรรมะเย้ยวเย้ ย, ยอธิบายเป็นจักจากท่ามกลางวงเหล่านี้โดนดูถูกทั้งวงเลยเราก็ไอไม่ใช่ว่าเราไม่โตบางอย่างแล้วก็ผุดนิดหน่อยพอแอมไปงั้นนะ เออพูดคำเออคำไปฮะจบจบจกันไปง่ายๆจะไปต่อความยาวสาวความยืดก็ไม่ทําให้ก็รู้สึกว่าแปลกปลอมแต่เราก็ไม่ไปหวนขวายที่จะไปอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นแต่เหตุการณ์เมือยา่างมันเป็นไปนก็ต้องเป็นไปไอเราไปนั่งกันเขาบอกเออนี่โต๊ะที่ผมนั่งเนี่ยยาวเล่ามาตั้งนี่นมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมมันผิดปกติ สิทธิที่เราจะดูแลได้คือตัวเราเองเรามาจะดูรายละเอียดกันเลยในส่วนหนึ่งก่อน <c oughs> อภัยากตาเป็นอารมณ์กแก่แก่อภัยากตาด้วยการแก่กุศลธรรมแก่อกุศลธรรมก็เป็นไปได้นะครับรายละเอียดนะวันนี้พูดไม่หมดหรอกคราวหน้าจะต้องพูดอีกทีหนึง่งเรามาเริ่มกันที่กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ด้วยอํานาจของอารมณปัจจัยคืออย่างไรในอภิธรรมก็วางข้อกําหนดไว้ว่ากุศลธรรมที่เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมคือกุศลธรรมได้แก่กุศลจิตกุศลเจตสิกยี่สิบบวกสามสิบแปดสามสิบแปดท่านเป็นชื่อของกุศลเจตสิกที่ประกอบกุศลจิตยี่สิบเป็นปัจจัยแก่ กุศลปัญญาเป็นปัจจัยแก่กุศลจิตแปดเป็นปัจจัยอาอโหนี่ว่าจะไม่พูดก็เลยพูดไปก็ไม่ต้องสนใจเอ า, อางี้แล้วกันนะกุศลที่เป็นกามกุศลกุศลชั้นต่ําชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ําก็กุศลที่สําเร็จขึ้นจากบุญกิจยาววัตถุแม้แต่ความนึกคิดที่เป็นกุศลจิตต่างๆที่เรามีเนี่ยนะนี่เป็นกุศลชั้นต่ํากุศลชั้นกลางกุศลที่เกี่ยวกับฌาน เกี่ยวกับสมาธิกุศลชั้นสูงก็เกี่ยวกับมรรคของพลาลียะเป็นกุศลชั้นสูงอยู่ในกุศลจิตนี่ทั้งหมดเอเว้นแต่ละตามรรคนะมันมันมีปัญหาก็ไม่ต้องไปใส่ายละเอียดอย่างนั้นผมจะชี้ให้ฟังที่หลังก็แล้วกันก่อความมาเป็นกุศล ส, สามชั้นนี้นี่บุคคลเมื่อนึกถึงกุศล ส, สามชั้นนี้ด้วยกุศลชั้นต่ํากุศลชั้นต่ํานึกถึงกุศลชั้นสูงได้ อ่ามันได้ยังไงก็คือว่าก็กิเลสยังนึกได้เนี่ยทำไมกุศลชั้นต่ายัางนึกถึงกุศลชั้นสูงกว่ามันไม่ได้ใช่ไหมกิเลสยังนึกถึงกุศลได้กิเลสนั้นต่ําว่กุศลถูกไม่ถูกมันยังนึกได้จึงไม่แปลกแต่ว่ากุศลชั้นสูงบางอย่างเนี่ยมันเกินเอื้อมอการนึกได้ของกุศลชั้นต่าบางการณีอยู่บ้างนี่เป็นแง่มุมรายละเอียด ผมกล่าวแกนี้ไม่อธิบายยกตัวอย่างนิดหนึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นว่ากุศลของพระอระหันต์มรรคกุศลของพระระหลานบูติชนนึกได้ไหมว่าอารหัตมรรคเป็นอย่างไรนึกไม่ได้โสดาปฏิมากุศลเป็นอย่างไรบุติชนนึกถึงไม่ได้เป็นโลกุตระกุศลเกินเอื้อม เกินความนึกได้เข้าใจได้ไอ้ตรงนี้แหละครับกุศลชั้นสูงจึงเป็นเรื่องที่คนเชื่อไม่ได้กันเป็นส่วนมากเราไม่ต้องพูดถึงสูงขั้นนี้นะเอาแค่ขั้นมักขั้นวิปัสนาญาณขั้นกุศลประนีประณีตเนี่ยคนนึกไม่ออกก็ยังตั้งเยอะแยะไปจูกไม่ถูกคือไอ้ถึงก็ว่ามันไม่ถึงก็ น, นึกไม่ออกเสียเลย มันพอนึกออกได้ถ้าผ่านการอธิบายการที่แจงการสแสดงออกให้เห็นเนี่ยนะแต่มันยากการที่คนธรรมดาจะมามาเข้าสู่กระบวนการของเหตุผลการนึกได้การคลุกครีถึงประสบการณ์กุศละเอียดให้มันยากมันไม่ได้เหตุปัจจัยและหาตัวคนจะมาเป็นแบบให้ได้นึกเป็นอารมณ์ยืนในนึกก็ยากแต่ว่าถ้าเป็นโลกดาระเนี่ยแม้แต่จะนึกถึงอย่างไรอย่างไรก็นึกไม่ได้ มันพ้นวิสัยไปเลยเที่มันคือนึกไม่ได้ทีนี้ถ้าเรามานึกดูในแง่ของความเป็นจริงที่มันออกมาเป็นปรากฏการณ์ประสบการณ์ของสังคมเนียว่าเพราะกุศลชั้นสูงมันมีเงื่อนไขอย่างนี้นั่นแหละเราจึงเข้าใจไม่ได้โดยแท้จริงปักใจไม่ได้โดยแท้จริงว่า เป็นโสดาบันดียังไงความเป็นโสดาบันองค์คุณของความเป็นโสดาบันดียังไงก็ใจไม่ไ ด, ด้พระพุทธเจ้าเวลานาว่าเป็นโสดาบันเนี่ยประเสริฐยิ่งกว่าดียิ่งกว่าสุขยิ่งกว่าการได้เป็นพระจเจา้าจักรพรรดิหรือเป็นกษัตริย์มหาอำนาจที่ครอบครองแคว้นทั้งสิบหกแผ่นที่มีอยู่ในอินเดียหรือยิ่งกว่าการเสวยเทวสมบัติ ในชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกด้วยแม้แต่พระมรสมบัติก็ด้วยเข้าใจไม่ได้เอารถยี่หอ้อแพงๆมาให้ดูสักคันยังซึ้งใจกว่าแย่ใช่ไหมเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้ดูยังซึ้งใจกว่าแย่ทั้งที่ไอ้แก้วแหวนเงินทองเนี่ยค่ามันสู้กันไม่ได้ ที่ในหมู่ของคนเชื่อเราก็เชื่อโดยหลักๆต่เป็นส่วนใหญ่แต่เราก็เข้าไปถึงความรู้สึกนะนี่ไม่ต้องพูดถึงโล ก, กุตตะละไม่ต้องพูดถึงลาหลานเพราะนั้นการแสวงหาลาหลานการเห็นค่าของลาหลานเนี่ยมันจึงเห็นค่าไม่ไปถึงคุณล่ะครับค่าในทางคุณแต่มันเห็นค่าในทางอื่น มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเรานิยมคนมีศีลมีสัตว์เราไม่ได้เห็นค่านี่พูดถึงคนอื่นบางคนนะไม่ได้เห็นค่าของศีลของสัตว์จริ ง, ร ง, งๆตรงๆหรอกว่าศีลสัตว์เนี่ยมันเป็นกุศลธรรมเป็นของดียังไงเป็นบาตรฐานอะไรยังไงกติเบื้องหน้าจะเป็นยังไงไม่ได้เห็นในแะง่นั้นแต่เห็นในแง่ว่า ถ้าคนในบริษัทในหน่วยงานของเราเจ้านายของเรามีศีลมีสัตว์แล้วเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ในทางวัตถุแก่เราถามว่าเราทำหนีก็ได้ไหมไม่ควรทำหนีนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ก่อนจริงมะเราไปซื้อของเจอแม่ค้าพูดจาเป็นศีลเป็นสัตว์เราก็ยอมรับมันดี แต่คนนั้นอาจตัวเองพอมาขายของบางอาจจะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เวลาที่ตัวเองมาเป็นคนขายตัวเองใช่ไหมฮะอันนี้คือเทียบให้ฟังว่าพระอระหันต์เนี่ยคนแสวงหาพระอระหันต้องการอะไรมากที่สุดต้องการเจริญรอยตามล่าอรหันต์หรือว่าจะได้เป็นอรหันต์บ้างนี่ผู้นู้นนว่าต้องการจริงๆนะ เมื่อสองสมงเมื่อวาสซืนนี้ก็มีการคุยเขามีคนเขาให้ผมเขียนไ ใ, ใ้อะไรบางอย่างให้เขาแล้วก็พรลนาถึงที่เขาจะจัดกจิจกรรมกันที่เกษตรเนี่ยแล้วพรณนาว่ า, าการปฏิบัติจิตภาวนาเนี่ยทำให้มีผลดีอะไรบ้าง ข้อหนึ่งคือลดละกิเลสล้ะกิเลสบอกแม้ตรงนี้ฟังแล้วไม่น่าจีนใจเลยผมบอกว่าไม่ควรใช้คํานี้สาหรับทั่วท่วไปควรใจะใช้คําว่าลดละความรู้สึกฝ่ายต่ํานะฟังแล้วมันมันครอบคลุมใครเห็นความคังรู้สึกฝ่ายต่ำไม่ดียังไงที่ตัวเข้าใจได้ก็แปลเอาไปตามระดับที่ตัวเข้าใจแต่พอพูดถึงกิเลสเนี่ยบอกอ้ตายแล้วสงสัยถ้ามาปฏิบัติจิตสำนากแล้วก็ จนแน่นอนบานแตกแะแหลกขาดแน่นอนมีแตพยายามจะกินยาบารุงอิเลสนี่ปฏิบัติกรรมฐ า, านแลกิเลสหมดเนี่ยบางคนก็คิดไปได้ตามใจชอบของมันใช่ไหมไม่คงว่าภาษาพ ร, ราภาษาพราเนี่คุมทั้งสูงทั้งต่ำแต่คนมาอ่านภาษาพราแล้วมักจะนึกปอปีแบบหนึ่งเลยกลายเป็นไม่เห็นอะ น, นสง่งอย่างนี้ เพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญกับล่าหลานแล้วทำความปรารถนาว่าทำใดเป็นธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วถึงแล้วขอให้อานิสงส์แห่งการบารุงล่าหลานนี้จงให้ข้าพเจ้าได้ถึงธรรมที่ท่านบรรลุแล้วถึงแล้วด้วยเถิดมีส่วนแห่งธรรมนั้นด้วยเถิดด้วยความจริงใจเนี่ยยากโดยมากที่ง่ายๆและโดยมากจะ ลายไหนหลายนั้นในตังคมปัจจุบันนี้ทำบุญกับล่ะอรหันแล้วทำมากินขึ้นอะไรอะไรก็ขึ้นหมดได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นคนก็เข้าใจได้และคบกับล่ะอรหันเพื่อเป็นประโยชน์แก่วัตถุกรรมของตัวตนนั้นโดยมากเป็นอย่างนี้ซึ่งที่พูดอย่างนี้ไม่ตรงการจะว่านะฮะ แต่กําลังพูดถึงระดับขั้นข อ, ของของการเข้าถึงแม้บางทีพระล้ันจะพยายามบอกว่านี่ไม่ใช่ของดีของประเสด็จนะก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับขนาพระพุทธเจ้า พ, พูดกับพระเองเนี่ยพูดบ่อยๆว่าเธอจงเป็นธรรมทา่าญาทาญาติเธอ่าได้เป็นอามิสทายาทเลยเนี่ยื็อันเนี้ยในธรรมทายาสูตรเธอจงเป็นธรรมทายาทเถิดอย่าได้เป็นอามิสทายาทเลย อมิตรายายก็คือรับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจากบารมีพระองค์เนี่ยโดยคำนึ่งมุ่งที่ลาบส ก, การะละชื่อแต่ธรรมทายาตินั้นหมายถึงให้ได้ธรรมก็ก็ที่จะก็จะเห็นว่าท่านต้องพูดอย่างนี้ก็คื อ, อบางท่าน ก, ก็เข้าไม่ถึงแล้วก็พูดเพื่อที่ให้เข้าถึงว่าธรรมทายาติดีกว่าอามิตรายาติอย่างไร เอาละเรามาดูรายละเอียดเป็นข้อๆไปข้อที่หนึ่งบุคคลให้ท า, า, านสมาทานศีลกระทรรมอุโบโสถกรรมแล้วพิจารณาทานศีลอุโบโสถกรรมนั้นเนื้อความประเด็ดนนี้จบตรงนี้แล้วมีองค์ธรรมใส่ว่ากุศลธรรมระดับที่ข้อที่หนึ่งกล่าวถึงเนี่ยเป็นกุศลธรรมพื้นฐานทั่วไปคือ ขั้นทานขั้นศีลภาวนาจะยกไว้ที่หลังประเด็นหลักกูเสนอทำระดับทานระดับศีลถ้าเป็นบุญกิยาวัตถุ ก, ก็อย่างเช่นทานศีล เวยาวัต จ, จะอภัยยานะจะอยู่ระดับนี้อยู่ระดับทานระดับศีลคนเมื่อให้ทานรักษาศีลแล้วก็อุโบสถกรรมหมายถึงมันก็เป็นเรื่องของศีลในขั้นพิธีกรรมของในทางสงฆ์หรือถ้าเป็นอย่างเราก็หมายถึงการไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดในวันพระนะฮะพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีของการทําอุโบสถศีลรักษาศีลแปดก็อยู่ในข้อนี้ ฉะนั้นศีลแบ่งเป็นสองขั้นแยกไปเป็นสองขันนี่นะถ้าเป็นพระก็สมาทานศีลก็คือบวชมีศีลสองร้อยี่บเจ็ดอุโบโสถกรรมก็หมายถึงการเข้าไปทําศีลและวัดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงโอุโบสถอ่าก็อยู่ในข้อนี้ที่นี่ว่าคนเมื่อทําทานทําศีลแล้วทำแล้วลืมไปเลยโดยสิ้นเชิงร้อยเปอร์เซ็นตนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ทำแล้วต้องมีการนึกได้จำได้ละลึกได้มากน้อยแค่ไหนแต่จะละลึกอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึง่งเอาละบางทีถ้าจะถามว่าขณะนี้เรานึกได้ไั้ยว่าตั้งแต่เกิดมาจำความได้ทำทานทำศีลอะไรไปบ้างบอกแมเวลาจะอยู่ที่สูงุสน์นี่ไล่ไม่หมดกลัวจะเสียเวลาเปลดรอรับส่วนบุญนานไป ก็เลยพูดแต่ที่หลักๆที่นึกได้แล้วก็บอกที่อื่นๆทั้งหมดเนี่ยคนอุที่ก็นึกคือเปรตก็จะมานึกไม่ออกไปด้วยแหละขออุทิศส่วนให้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการอ้างถึงเอาผลในทางตัดจักรอธิษฐานครอบคลุมไปแต่ว่าแม้ที่เราลืมไปแล้วในขณะ น, นี้หรือนึกไม่ได้บางทีเราก็มานึกได้ไปนึกได้ในห้องกรรมาฐานบางนึกได้เมื่อมีไอ้ปรากฏ ก, การณ์ในชีวิตมากระทบบ้าง ก็ทำให้เรานึกได้หรือไปนึกได้เพราะไอ้ประสบการณ์อื่นมาสะกิดทำให้เรานึกถึงตัวเราเองได้ทีหลังบ้างอะไรหลายเรื่องเนี่ยครับทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยมันนึกได้ทีหลังแต่ว่าไอ้ที่ถึงเราจะลืมไปแล้วเมื่อเราทำใหม่ๆเนี่ยเราต้องจามันได้ต้องนึกได้แน่นอนนะมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ลืมไปเลยก็มีผมถามว่าบุญที่ทำแล้วเนี่ยควรลืมไปให้หมดควรล่าไปให้หมด ไม่ควรนึกถึงเลยทาแล้วก็ล้างสมองลืมเลยหรือควรจะเก็บไว้ในความทรงจำถ้าท่านผู้ใดตอบว่าควรเก็บไว้ในความทรงจำก็จะมีคนแยง้งหรือมีหลักที่ชวนให้แย้งว่าอย่างนี้เรียกว่าทำเอาทำยึดทำแล้วไม่ปล่อยทำอย่างคนมีตะนาวปาทานใช่หรือไม่อ้าวนี่เป็นคำแยง้งอ้าวที่ีทาแย้งในทางรับ ตรงข้ามคนนี้ก็บอกว่าถ้าทําแล้วไม่นึกถึงก็คือทําทิ้งทํากว้างขานอับปราปราเจตนาบุญน้อยลงใช่หรือไม่ฟังดูมีน้ําหนักตั้งกูเพราะบางคนเนี่ยที่มาถามๆเนี่ยบางทีบอกอา้าเคยได้ยินมาเขาบอกว่าเวลาทําบุญแล้วอย่าไปยึดทําและทําเลยเหมือนเราทําบุญกับคนอื่นนะอย่าไปเที่ยวทวงบอกแหม่ที่จําได้ไหมอย่าลืมใช่นะเจอหน้าทีไรก็จําได้ไหมจําได้ไหมอย่างนี้ถูกไหมนี่ก็เป็นข้อประมาที่แหม่ฟังแล้วน่าน่าจะงักนะ เอาแล้วเอาเขาจริงคื อ, อยังไงแมไม่อยากให้ลงมติถ้าจะถามให้ละลึกตอบว่าที่ถูกเนี่ยบุญใดๆที่บุคคลทำแล้วควรละลึกถึงไหมตอบว่าควรละลึกถึงในข้อแม้ว่าละลึกถึงด้วยจิตที่เป็นกุศลอีกเพราะการละลึกถึงกุศลด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันไม่ใช่ความยึดถือ เพราะกุศลและจิตไม่มันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่ความยึดถือมันไม่ใช่ความจริงความจังไม่ใช่ความเสียจใจควรระลึกและระลึกถึงด้วยจิตเป็นกุศลและผู้ใดที่ระลึกถึงกุศลเก่าด้วยด้วยจิตที่เป็นกุศลสูงเท่าไหร่ได้ประโยชน์ทับซ้อนมากเท่านั้นคือบุญเก่าก็ได้เพิ่มในฐานาะเป็นพระราเจตนาและ ได้ใช้กุศลเก่านั้นเป็นประโยชน์ต่อญาณผมยกตัวอย่างเอาจัดเลยให้มันสูงกว่าธรรมดาที่เราได้ยินได้ฟังได้พูดกันหน่อยก็คือว่าสมมุติว่าคนทําวิปัสนากรรมฐานได้ถึงญาณที่สองปัจจยบริกรญาณาขณะทําทวิปัสนาจิตเป็นมหากุศลญาณสมยุทธแต่จริงๆท่านบอกเอาทั้ง8ทั้งวิปยุทธ์ ด, ด้วยเป็นตัวผสมลงในบางขณะจิตด้วยความเจมีมนิจเจนานเอาแปดแต่เอาตัวหลักคือ ญาณธรรมายุทธ์เราก็ทําถึงปัจจัยคือเห็นเหตุปัจจัยนี้เราไปกําหนดเห็นนามรูปช่วงหนึ่งขนาดหนึ่งโอ้โหที่เราเกิดความรู้สึกสบายเกิดความสุขขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้เพราะเราได้นามรูปที่ปรากฏขนาดนี้เป็นวิบากของกรรมที่เราได้ทําไว้เมื่อสิบปีมาแล้วด้วยกรรมนี้โยงกันโดยอัตโนมัติเลยไม่ได้คิดมาก่อนบุญนั้นก็ลืมไปแล้วโดวยตามไป ก็เลยรูอ้ออนี่คือเหตุปัจจัยในทางกรรมของนามรูปที่เป็นอารมณ์ของเราขณะนี้ทีแรกนะกุศลจับนามรูปที่เป็นผลเป็นวิบากแล้วก็โยงไปหากุศลกรรมที่ได้ทําแล้วบุญใหม่ระลึกถึงบุญเก่าอย่างเอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพอบุญนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึง่ง ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่นามแต่รูปนะเหมือนกันกนามรูปอื่นแต่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเชื่อมโยงถึงกันถามว่ายึดไหมไม่ยึดเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมไม่เห็นและถามว่าการนึกถึงบุญในความรู้สึกของคนได้วิปัสสนาญาณเป็นบุญสูงกว่าและลึกด้วยจิตธรรมดาไหมและสูงกว่า สูงกวา่าได้ประโยชน์มากกวา่าได้อานิสงส์มากกวา่ายิ่งนึกยิ่งแต่งตะรุเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์ทั้งโดยตรงโดยอ้อมสูงมากเท่านั้นนี่ครับเป็นกรณีของบุญที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นอารมณ์แก่กุศลละจิตใหม่ในบางขั้นบางเกณฑ์บางสภาพที่ยกตัวอย่างมาการนีศีลที่เราทาก็เหมือนกัน อุโบสถกรรมที่เราทำํทำทําแล้วเกิดกุศลจิตอีกทีนี้กุศลจิตเวลาเกิดเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงในชั้นของความคิดในกรณีของศีลผมยื้เอเอกล่าวได้เลยนะฮะในในประสบการณ์ในความสุดทราบซึ่งส่วนตัวว่าศีลที่เราได้ทําความเข้าใจในศีลเนี่ยที่เราได้ยินได้ยินมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรว่าศีลที่เลนะโพก็สัมปตาที่เลนะต ก, กติงยันติแล้วก็ในที่อื่นๆ ถึงเรื่องศีลเป็นอาทธิพรลมจ ร, รย์ในอะไรเนี่ยนะกระทั่งศีลเล็กศีลน้อยบางอย่างทําแล้วมันเกือบจะไม่มีความหมายอะไรมันเหมือนเป็นเป็นพิธีกรรมที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่มีพลังอะไรจริงๆจังๆเราก็ไม่เข้าใจชัดแม้บางทีจะอธิบายเหตุผลพอเข้าใจได้บ้างแต่ไม่ซึง้งแต่มาทําวิปัสนานเนี่ยซึ้งเลยครับโอศีลเนี่ยนะ ไอ้เรื่องบัญญัติไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเมื่อเข้ากรรมาฐานหรือบัญญัติกับละหรือบัญญัติไม่ให้ดูไม่ให้ฟังนาตาดนตรีการพลดำขับร้องเนี่ยไอ้ตอนนั้นเราก็คิดไม่ออกเลยทำไมนะ ก, ก็เวลาเราเครียดเรื่ฟังดนตรีก็าหายเครียดนะทำไมถึงว่ากลายเป็นของผิดศีลนะเหมือนกับว่าเป็นศีลที่ทำให เอาไว้เหมือนเอาไว้อวดกันเอาไว้สร้างความเกียรติถือแล้วเวลาเรานับถือพระว่ามีศีลอย่า ง, งวิอย่างนี้เราก็น่าโอ้มีศีลแล้วศีนขท่านดียังไงเรานึกไม่ออกดีแต่ว่าเอาไว้ให้เราเริ่มใส่ก็แล้วกันอันนี้สองมีแค่นั้นเราไปเข้าใจเมื่อไหร่ครับไปเข้าใจเมื่อทํากรรมฐานโอ้โหนี่นะ่ะนิดนิดเลยหน่อยเนี่ยนะถ้าเราทําผิดศีลอย่างนี้มีผลถ่วงอย่างแรงเลยครับไมื่ไม่ใช่อย่าง เลื่อนลอยบางๆอย่างแรงถึงเข้าใจโอ้สีนี่เป็นเครื่องจำกัดกิเลสบางระดับเพื่อให้กุศลบางระดับเนี่ยเดินได้สะดวกและถ้าเราจะทดลองอย่างที่เราเราพูดพูดแล้วรประสบการณ์โครงการอันหนึ่งว่าที่เรานั่งหลับตา่เพลงมันแว่วขึ้นมาในวใจนะบางคนก็เพลงไลฟ์มิวสิกแว่วขึ้นมาอย่างกับมี ทีทิยุอยู่ในหัวใจมันแววขึ้นมาถามว่าพอเพลงแววเนี่ยสติเสียัหยเสียเลยเราขาดถึงถ้าไม่ได้อยู่ในบรรยากาศนี้ไม่มันก็ไม่แววเลยนะเพราะมันมีไอ้เรื่องใหม่ๆสดมาแววสนุกขวา่าถ้ามันแววขึ้นมาแล้วก็ไปเอาเทปไอ้เพลงม้วนนั้นมาฟังเอยมันสะกิดมาให้อยากฟังแล้วก็ไปฟังมนันในอย่าง แต่เวลาอยู่ในกรรมฐานมันจะไปฟังอะไรก็ไม่ได้มันก็เลยฟังของเก่าๆเว่อ well. ร์ทีีพ อ, well อแว่อขึ้นมาเราบางทีบางคนเนี่ยเขาสารภาพเลยว่าเขาเผลอไปทำตามบางคนก็บอกว่าฉันเข้าห้องน้ําแล้วฉันทำในห้องน้อาอําเออยังก็าเขายังจู้จีหน่อยใครก็ไม่ได้ยินด้วยพอมันนึกได้แคเนี้โอ้โหมองข้างบนได้เสียงรอดไว้บ้างมาตามไปแล้ว ก, ก็บังเอิญ ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีเรื่องจะต้องไปคุยกันก็ไม่คุยกันก็เลยไม่ได้ถามจะได้ยินหรือเปล่าเลยไม่รู้จนบัดนี้ทีนี้ไอ้ที่สาคัญคือตอนนั่งอยู่ท่ามกลางสารกํานันเนี่ยแล้วก็เกิดหาขึ้นหลุดรองมาทีก็ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าแต่ผมก็ว่าถ้าในที่ที่คนสติกําลังละเอียดเนี่ยอะไรนิดหนึ่งจะรู้ทันทีแค่พอหวานิดนึ่งเนี่ย ถ้า <asthma> คนอีกคนลืมตาอยู่น่ะรู้ทันทีเลยหรือแม่ไม่ล odes, ืมตาก็ ร, รู้ครับคนนั่งอยู่ข้างๆเป็นยังไงเนี่อรู้ไอเสียงออดอแอดแอแก๊กก๊นิดเดียวเพยังรู้เลยว่าคนนี้นั่งไม่สงบรู้เลยซึ่งธรรมดาเราจะไม่รู้ก่อนแร้วนะแต่ว่าไอตอนนั้นสติละเอียดถึงจับได้ถึงสะท้อนไปถึงความคิดเขาเหมือนเราเห็นคนบางคนนั่งอยู่แล้วทําท่าลุกลึกุกกเนี่ยนะ กระสับกระส่ายฟังแล้วทำมากกระสับกระส่ายดูนาฬิการเราอ่านไปถึงใจเขาเลยใช่ไหว่าเขาสภาวะจิตเขากำลังกระสับกระส่ายด้วยอาการบางอย่างซึ่งเราถึงมองคนเป็นประสาทเพราะมองจากข้างนอกก็บอได้อย่างเงี้นะฮะแต่บางคนก็ไม่ถึงก็เป็นเป็นอาการที่มันลุ่มขึ้นมาจุกขณะเท่านั้นตอนนี้นะฮะเราก็ได้สีในอารมณ์ ในบรรยากาศขึ้นความรู้สึกกันหนึ่งทีนี้ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งโดยทั่วทั่วไปคนมีศีลแล้วอย่างพระเนี่ยบางองค์จะมรณาภาพท่านก็จะทําไม่ใช่เป็นพระนักปฏิบัติที่เราเรามักไม่ใช่พระนักปฏิบัติเกิดจะมรณาภาพก็ได้ตั้งอนุสติศีลานุสติให้ปรากฏว่าเราตั้งแต่บวชมาเนี่ย ศีลเราไม่ด่างไม่พร้อยนึกถึงแล้วก็เกิดความบองแป้วศีลที่ตัวได้ทำไปแล้วก็มาปรากฏเป็นอาตน ก, กรรมตอนใกล้ตายตายแล้วก็ไปสู่สุขติที่นี่มันเป็นไม่ได้ไหมว่าท่านนึกถึงศีลแล้วเกิดเกิดอากัสลเดี๋ยวเราอาจจะพูดในประเด็นตรงนั้นถึงไอ้ข้อตรงข้ามนะฮะอีกทีหนึ่งที่นี่ ว่าเวลาที่เราระลึกถึงฐานฐานที่ทําแล้วเราก็จะพบว่าทานที่เราทําแล้วเนี่ยบางทีนึกถึงแล้วใจมันเศร้าหมองมันเสียใจก็มีเพราะอะไรนี่เป็นขัง้งกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศล <c oughs> และบางครั้งเนี่ยเรานึกถึงแล้วเราก็ผ่องแผ้วและบางครั้งก็ไอตอนทําใหม่ๆไว่ผ่องแผ้วพอนางเข้านานเก้าผ่องแผ้ว ไอ้ที่มาองแผ้วทีหลังเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนทําใหม่ๆอาจจะมีไอ้การรับรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างพื้นฐานจิตใจบางอย่างก็เลยไม่ผ่องแผ้วตอนนั้นพอมา ท, ทําทีหลังผองแผ้วผองแผ้วเพราะว่าหนึ่งเรามาเรียนรู้เรามาได้ข้อมูลได้เห็นประจักษ์ผลของกุศลกรรมที่ได้ทําก็เลยมาผ่องแผ้วทีหลังก็มีบางคนก็ผ่องแผ้วตลอดแต่ผมถามว่าจริงๆเนี่ย ความดีที่เราทําแล้วทานที่ทําแล้วศีลที่ทําแล้วเราเคยจังงักบ้างไหมชังงักเอใจจังงักเสียใจจังงักไม่แน่ใจด้วยอกุโลจิต <c oughs> ทําแล้วเสียดายแล้วบางครั้งก็ทําน้อยเสียดายว่าทําน้อยไปก็มีใช่มหมตรงกันข้ามกันไม่ได้ทําแล้วเสียดายว่าไม่ได้ทําก็มีไอเสียดายแบบอย่างหลังนี่เป็นบุญลาลบด้วย ถึงบุญนั้นได้จิตที่เป็นบุญแต่เสียนายแม้ทําไมเราถึงไปเบลอดำนะทําไมเลยถึงไปเกิดไปเบลอดำมากนะเป็นบุญไหมไม่เป็นบุญมันก็มีไอเหตุปัจจัยหลายอย่างมันถ้าเรารู้หลักอะไรต่างๆเหล่านี้รู้เงื่อนไขต่างๆแล้วก็รู้ไอที่ควรจะเป็นเนี่ยมันมันควรอย่างไรเราก็จะได้ดูแลจิตของเราให้เป็นไปในจุดที่ควรจะเป็นทีนี้ถ้าคน ทำแล้วลืมเสียทิ้งกว้างเสียยังไงมันดียังไงมันมีมุมดีอยู่บ้างอนะฮะแต่มันเป็นกรณีเฉพาะบุคคลแต่ว่าโดยหลักเนี่ยไม่ควรทิ้งกว้างถ้าทําแล้วลืมผมถามว่ามีบ้างไหมที่ทําแล้วไม่นานก็ลืมมีนานหน่อยก็ลืมเยอะกันนะประเภททําแล้วลืมบุญคุณคือคนทําลืมเอง ไอคนถูกทำแล้วไม่ลืมครับเออมีจริงๆนะบางทีเราลืมไปแล้วครับอย่างสมมติว่าไอที่ผมไปพมาเนี่ยผมโดนโดนลูกบุญลูกคุณเนี่ยเขามาพูดทวงบุญคุณให้เขาบอกว่าจำเขาได้ไหมที่เคยให้นั่นให้หนี่เขาไว้บางทีพระบอกเขาจำได้เราค่อยจำเราได้เราจำไม่ได้ทั้งที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะจ ะ, จะละเพื่อรายละเอียดต่างๆที่ทำแล้วก็ลืมไปนะฮะ ทีนี้ว่าเราไม่ควรลืมแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับบุคคลว่าบางทีเราทำบุญบางอย่างไปแล้วและเราไม่อาจที่จะอดกลั้นไม่ให้เกิดอกุศลได้นึกยังไงยังไงก็เกิดอกุศลอย่างนี้เราก็รู้ดีเดียวว่ากับคนบางคนหรือ ก, กับบุญบางอย่างเมื่อ น, นึกถึงแล้ว ยิ่งนึกแล้วมันเข้าเสียลังวัดขัดทุนอย่างนี้อย่านนึกทําแล้วทิ้งเลยอย่านนึกอย่านนึกในลักษณะที่เราล้วนนึกแล้วเป็นบาสนะเอาไว้เมื่อจิตเราดีขึ้นค่อยนึกสิบางคนถึงมาบอกแมมทําทีแรกเสียใจอยู่ต้องเป็นสิบปีไม่น่าเอาจระเข้มาเลี้ยงไม่น่าเลี้ยงจระเข้เลยก็ใจเลี้ยงเลี้ยงะเข้นะ เสียใจอยู่ทั้งเป็นสิบปีตอนหลังเนี่ยมาเข้าใจธรรมะม า, ม า, ม, ามาปฏิบัติธรรมเขาแล้วเห็นเหตุผลว่าอย่างนี้ครับคือหนึ่งได้ความรู้ในทางกรรมว่าเขาเคยมีอุปการะแก่ตัวเป็นกรรมเก่าตัวต้องมาชดใช้เขาใต่ชดใช้เท่าเนี่ยไม่ได้ชดใช้เพื่อจะให้เขาเป็นจระเข้ไปเดี่ยวกัดใคร ก็ใช้กรรมก็เท่าก็ได้ใช้ไปแล้วแต่เขาจะไปชั่วนั่นน่ะมันเป็นเรื่องกิเลสเขาเขาเอาวิบากของเขาที่ได้ทําไว้แก่เราไปเสริมวิบากเขาเอากําลังนั้นไปตามความชั่วนั่นเป็นเรื่องของเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเลี้ยงเขาให้กลายเป็นโจรไปเที่ยววัตถุสลายคนอืน่นและอีกอันหนึ่งที่ทําได้ผสมนะก็คือว่าการที่ได้ช่วยเขาเนี่ยคนนั้นเนี่ย ทำให้เขาเนี่ยเมื่อมาอยู่ในภาวะ